ภควะโตอรหโตสัมมาสัมพุทธสันะโมตัสสะภควะโตอรหโตสัมมาสัมพุทธสันะโมตัสสะภควะโตอรหโตสัมมาสัมพุทธสะ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 พุทธังสระนังคัจฉามิธรรมังสระนังคัจฉามิธรรมังสระนังคัจฉามิสังขังสระนังคัจฉามิสังขังสระนังคัจฉามิทุติยมปิพุทธังสระนังคัจฉามิธุติยมปิพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยมปิธรรมัง สระนังคัจฉามิทุติยัมปิธรรมังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิสังขังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิสังขังสระนังคัจฉามิตัติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิตัติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิตัติยัมปิธรรมัง สระังคัจฉามิตัตยยมปิธรรมังสระนังคัจฉามิตัตยยมปิสังคังสระนังคัจฉามิตัตยยมปิสังคังสระนังคัจฉามิติสุรนคกมนังนิธิตังอามะพันเตพุทโธธรรมโอสังโขกราบขอกาศน้ำมศการพ่อครูด้วยความเคารพครับสาธุ รมัส ก, การหมู่สงฆ์เจริญธรรมสิขมกขาภาและส่งวิถีอริยธรรมมาสู่ท่านทั้งหลายผู้สนใจไฝ่ธรรมทุกชีวิตวันนี้วิถีอริยธรรมโดยพ่อครูสมณพธิรักษ์หรือที่เรียกกันล่าสุดว่าวิชาธิปดีแห่งวอนอบอ ซึ่งท่านทั้งหลายอาจจะไม่คุ้นกับศัพท์นี้โดยมหาวิทยาลัยทั่วไปเรามักจะเรียกเบอร์หนึ่งของมหาวิทยาลัยว่าอธิการบดีแต่วอนอบอเนี่ยเป็นการศึกษาโล ก, กุตระจริงๆก็คือโล ก, กุตระโล ก, กวิทูและโล ก, กานุกรรมปายะสมโลกเนี่ยอยู่ในโลกเดียวกันโล ก, กุตระโลกกวิทู โลกานุกรรมปายะโลกุตระก็ชัดเจนแล้วว่าเหนือโลกนิพพานโลกวิทูเนี่ยก็เป็นเรื่องของการรู้โลกส่วนโลกานุกรรมปายะก็คือการเกื้อกูลอนุเคราะห์โลกสามโลกนี้อยู่ในโลกเดียวกันอันนี้เป็นประเด็นที่พ่อครูอ ธ, ธิบายในช่วงพุทธชีวศิลป์ พุทธชีวศิลป์ในช่วงที่ผ่านมามี3วิชาที่วิชาธิบดีนะหรือพ่อครูสมณะโพธิรักษ์วิชาทิบดีแห่งวนนบอได้อธาธิบายคือ 1. ความรัก10บมิติ 2. พุทธชีวศิลป์และสามสันค่าสร้างคนเข้าใจว่าพี่น้องของเราหลายคนอาจจะยังไม่ได้ติดตามเนื้อหาสาระการบรรยายดังกล่าวนี้ จะขออนุญาตนำเวลาในช่วงต้นด้วยการสรุปประเด็นบางอย่างซึ่งน่าจะเป็นความรู้ใหม่จากพ่อครูสมณพติรักษ์ในการอา ธ, าธิบายที่บรรดชในช่วงที่ผ่านมาครั้งแรกแห่งการบรรยายวิชาพุทธชีวศิลป์ให้กับนิสิตวนอบลพ่อครูอา ธ, าธิบายความแตกต่างระหว่างคำว่าศาสตร์ตระกับศิลปะมีความแตกต่างกัน ดังนี้ศาตาราคือความรู้ทั่วๆั่วไปเป็นความรู้ที่คนเราสแสวงหาความรู้สแสวงหาการเรียนรู้แม้ที่สุดความรู้ที่เป็นไปเพื่อการบําเรอความอยากรู้ของคนอันนี้เป็นศัพท์ของพ่อครูซึ่งฟังแล้วฟังแล้วน่าคิดเลยทีเดียวฮะแม้เป็นความรู้ที่บําเรอความอยากรู้ของคนที่มุ่งไปสู่ การแสวงหาศาสตรระหรือศาสตร์บางทีบางครั้งมันกลายเป็นศาสตราเป็นอาวุธที่เข็นฆ่าทําลายตนและคนโดยทั่วไปเพราะนั้นศาสตร์เนี่ยจึงเป็นเรื่องของความรู้ทั่วๆไปแม้ที่สุดบางทีบางครั้งอาจจะนำมาใช้กับธรรมศาสตร์หรือพุทธศาสตร์แต่ก็ยังเป็นศาสตาระเพราะครูอธิบายเมื่อสักประมาณเดือนสองเดือนที่ผ่านมาว่าจริงๆ ศาสตาระเนี่ยกับศาสนาเนี่ยแตกต่างกันอยู่ตรงที่ว่าพุทธศาสนาศาสนาการันเนี่ยเป็นของแท้แต่พุทธศาสาตาราะหรือความรู้ทางด้านพุทธศาสนาที่ทําการถ่ายทอดสืบต่อกันมาเนี่ยบางทีอาจจะมีของเทียมปลอมปนอยู่ด้วยปัจจุบันนี้มีของเทียมหรือของไม่แท้อยู่ไม่อยู่ไม่ใช่น้อยทีเดียวอะ่ะคือความรู้หรือการถ่ายทอดความรู้พุทธศาสนาเนี่ย โดยที่พุทธศาสนาพุทธศาสตร์นอนูกรันเนี่ยอันนี้เป็นของจริงแต่พุทธศาสาตรระหรือความรู้ของพุทธเนี่ยที่ทำการถ่ายทอดกันมาเนี่ยมีความปลอมปนในพระพุทธศาสนาเราเรียกว่ากรองอนาะกกที่มีการเสริมเติมแต่งเพิ่มเติมมาเนืกระทั่งเรายังเรียกกันว่ากรองอนา嘎นั่นแหละเพียงแต่ว่าไม่มีสภาพความเป็นกรองอนาะแต่เดิมเหลืออยู่เท่าไรแล้วเพราะฉะนั้นพ่อครอัวอธิบายว่า ศาสตระเนี่ยแตกต่างจากศิลปะหรือศาสตร์กับศิลป์เนี่ยแตกต่างกันอยู่ตรงที่ว่าศาสตร์เป็นเรื่องของความรู้ส่วนศิลป์หรือศิลปะเนี่ยเป็นเรื่องของความรู้บวกความสามารถเพราะฉะนั้นบรรดาค ร, รุทั้งหลายที่พ่อครูเรียกขานในช่วงที่เราจัดการศึกษาแบบวอนอบอเนี่ยถ้าเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์เดิมะนี่ พอสอ เ, อเราก็จะเรียกผู้ช่วยศิลปาจานถ้าเป็นรองศาสตราจารย์รอสอเดิมนะทางเราก็จะเรียกว่ารองศิลปาจานถ้าเป็นศาสตราจารย์นะนะที่เราเรียกกันตามหมหาวิทยาลัยโดยทั่วไปที่นี่ก็จะเรียกศิลปาจานดังนี้เป็นต้นดังนั้นความรู้ในทางพุทธศาสนาของเราจรึงเป็นพุทธชีวศิลป์มิใช่พุทธชีวศาสตร์ตะระกระรัน ดังที่พวกเราได้ยินได้ฟังกันโดยทั่วๆไปความรู้ใหม่จากอาธิบายในช่วงที่ผ่านมาณนะบ้านราชพาะครูเล่าว่ า, ามีพัทรไรบีดกเล่มที่31ข้อ620ว่าได้เรื่องโล ก, กุตระ46อันนี้เป็นเรื่องที่แปลกกว่าการรับรู้ของพวกเราโดยทั่วไปที่มีมาแต่เดิมเนาะโล ก, กุตระ36 46ขอโทษ46 จอดผิดแต่พูดก็จอดถูกแต่พูดผิดกลับขอบคุณพ่อครูด้วยความเคารพครับนี่แหละนะมีผู้รู้อยู่ใกล้ๆมีความแววไวในการทักท้วงทำให้เราผิดผิดแป๊บเดียวอ่ะก็กลับมาสู่ทิศทางที่ถูกต้องได้เร็วอะโลกุตระ46คําคำว่าโลกุตระ46นี้ประกอบด้วยโลกุตระธรรม9อันนี้เรารู้กันมาแต่เดิมเราได้ยินโลกุตระธรรม9้ามาแต่เดิม แต่การค้นพบจริงๆก็คือในพระตรีบิดดกนี้แหละแต่พ่อครูนํามาอถ า, าธิบายล่าสุดคือโลกุตรธรรม9้าบวกโพธิปัจจิยธรรมสาบเจดที่พวกเรารู้กันเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นสติปฐานสี่สมัฏปทานสอิทธิบาทสี่อินทรี่ห้าภะละหพาชงเจ็ดมรุกองคปดโดยการอถ า, าธิบายครั้งล่าสุดเนี่ยพ่อครูยังเน้นย้ําว่าพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเกิดโพชฌงเจ็ดมรุกองแปดจึงเกิด ถ้าไม่มีโพชชงเจ็ดมรรคองแปดเกิดพระพุทธเจ้าคือถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าโพธชงเจ็ดมรรคองแปดก็เกิดไม่ได้อันนี้ก็เป็นอถาธิบายที่ทําให้เราได้รู้ว่าโลกตรโกุตระธรรมเก้าบวกโพธิปักคียธรรมสาบเจ็ดได้แก่โลกุตระสี่สิบหกดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น ข้อที่อดามาได้มีโอกาสเรียนรู้ใหม่ซึ่งจริงๆพ่อครูอาจจะเคยอ ธ, ธิบายมาก่อนแล้วแต่อดามาพึ่งได้มีโอกาสรับรู้ล่าสุดซึ่งเห็นว่าเป็นเพชรเม็ดงามเลยทีเดียวที่ควรจะต้องบันทึกกลางใจของพี่น้องทุกผู้ทุกคนน่นะคือพดชงเจตเนี่ ย, พ, ยพ่อครูอา ธ, าธิบายเป็นโพธิปักธิยธรรมสาสิบเจ็ดโดยจับคู่เข้าพวกว่า สติปัฏฐานสติสัมโพชฌงเนี่ยเข้าคู่กับอะไรท่านอธิบายว่าสติสัมโพชฌงเนี่ยเข้าคู่กับสติปัฏฐานสส่วนธรรมวิจัยสัมโพชฌงเนี่ยเข้าคู่กับสัมปปทานสวิริยะสัมโพชฌงเนี่ยเข้าคู่กับอินสี่ห้ปิติสัมโพชฌงเนี่ยเข้าคู่กับภะละหสมาธิสัมโพชฌงเนี่ยเข้าคู่กับโพชฌงเจ็และอุเบกขาสัมโพชฌงเนี่ยเข้าคู่ อยู่ในหมวดคือหมายความว่าอนั่นแหละเข้าคู่นั่นแหละมรองค์ดอันนี้เป็นสิ่งที่อาดามาไม่เคยได้ยินนะนะเพิ่งได้มีโอกาสรับรู้จากคำเทศคำสอนในวิชาพุทธชีวศิลป์ครั้งแรกที่บั้นราชล่าสุดเลยทีเดียวอะพี่น้องจำไว้ด้วยนะว่าสติสัมพ่อชงเนี่ยนะเข้ากันได้คือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับสติปฐานสี่ ธรรมวิจัยสัมโพชงเนี่ยเป็นหนึ่งอันเดียวกับสั ม, มปทานสวิริยะสัมโพชงเนี่ยเป็นหนึ่งอันเดียวกับอินรี่ห้ปิติสัมโพชงเนี่ยเป็นหนึ่งอันเดียวกับพระหสมาธิสัมโพชงเนี่ยเป็นหนึ่งอันเดียวกับโพชงเจ็และอุเบขาสัมโพชงเนี่ยเป็นหนึ่งอันเดียวกับมรคองค์8อันนี้เป็นเป็นเพชรเลยทีเดียวเนาะนะคือถ้าถ้าเราไม่ตั้งใจฟังเนี่ยก็จะจะขาดประโยชน์ในส่วนนี้ พ่ะครูอ ธ, ธิบายในพุทธชีวศิลป์ล่าสุดบุญกับกุศลแตกต่างกันอย่างไรคำตอบก็คือว่าบุญเนียมีที่ต้นและมีที่จบส่วนกุศลเนี่ยไม่มีที่ต้นไม่มีที่จบแม้พระผู้มีพระภาคเจ้าเองเนก็ยังไม่สันโดษในกุศลกระทั่งมีคำตรัสที่ปรากฏในพระไตรปิฎกว่าเราจะเป็นผู้ไม่รู้จักพอในกุศลธรรม และเราจะเป็นผู้ไม่ถอยหลังในการตั้งความเพียร น, นี่คือคำตรัสของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นพ่อครูจึงอธิบายว่าบุญมีที่ต้นและมีที่จบคนเราสิ้นบุญไม่ได้แปลว่าตายนะจริงๆสิ้นบุญเนี่ยคือเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์เนี่ยสิ้นบุญแล้วอ่ะหมายความว่าพระอรหันต์ไม่ต้องทำบุญอีกต่อไปแล้วอ่ะเพราะบุญเป็นชื่อของการทาคุณงามความดีที่เป็นไปเพื่อการลดละกิเลส เมื่อพระอรหันต์หมดกิเลสแล้วพระอรหันต์ก็ไม่ต้องทำบุญอีกต่อไปสิ่งที่ทำต่อจากนั้นก็คือกุศลอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องอต้องสำนึกไว้จงหนักเลยทีเดียวอะอาจารมาเคยพูดด้วยความเข้าใจผิดมาเมื่อสักประมาณ10ปีที่แล้วว่าโล ก, กุตระโลกกวิทูเนี่ยไม่ใช่เรื่องของเราเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าเท่านั้นปรากฏว่าพ่อครูเนี่ย ได้แก้ไขความเข้าใจผิดของอารมาตั้งแต่ครั้งนั้นและล่าสุดเนี่ยพ่อครูก็อถ า, าธิบายเพิ่มเติมว่าโลกวิทูเนี่ยไม่ใช่เป็นแต่เรื่องของพระพุทธเจ้าเท่านั้นและยิ่งไปกว่านั้นพ่อครูยังอถ า, าธิบายว่าแม้แต่คำว่าตรัสรู้เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องของพระพุทธเจ้าเท่านั้นด้วยจริงๆตรัสรู้เนี่ยหมายความว่ารู้ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสจริงๆแปลตามตัวตามตัวตามตรงเลยทีเดียว่啊 แปล ว, ว่ารู้ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติไม่ใช่เป็นผลจากการเรียนรู้ธรรมดาพ่อครูอ ธ, ธิบายเกี่ยวกับเรื่องวิตกวิจัยวิจารวิมุตวิจักอันนี้เป็นขั้นตอนของการของการเข้าถึงธรรมะวิตกก็คือการรู้ว่าตัวเองมีกิเลสรู้จักกิเลสในจิตวิจัยนะมันมีตรงไหนเหตุของมันเกิดจากอะไร นะมีการแยกแยะวิจาร ว, วิจัยวิจารจนกระทั่งตัดกิเลสไปสู่วิมุตตคือความหลุดพ้นถึงซึ่งวิจักวิจักนี้หมายความว่าแม้หลุดพ้นแล้วก็รู้แจ้งเห็นเห็นในความหลุดพ้นนั้นอันนี้คือวิจักการปฏิบัติธรรมในทางพุทธศาสนาเพราะครูอธิบายว่าจริงๆก็คือต้องมีต้นหนและมีต้นก่อนต้นหนเนี่ยเป็นเจโต เป็นพลังต้นกลนเนี่ยเป็นปัญญาเป็นตาเป็นกล้องส่องให้ต้นหนขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างดียิ่งไปกว่า น, นั้นตลอดในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพ่อครูอธิบายเกี่ยวกับเรื่องสรรค่าสร้างคนทฤษฎีงาน19ข้อเริ่มตั้งแต่หนึ่งมีคนทํางานอันนี้เป็นข้อแรกเลยทีเดียว่เพราะครูให้ทฤษฎีในการทํางานเนี่ยสิข้อโดยเน้นความสําคัญของคน เป็นอันดับแรกโปรดสังเกตนะไม่ใช่มีงานทําแต่มีคนทํางานส่วนคนนั้นก็จะต้องเป็นคนที่นําไปสู่โลกุตระโลกวิทูและโลกาณุกรรมปายะในที่สุดมีอยู่ข้อหนึงข้อ12ใน19ข้อคือมีการปรับใจกันให้เกิดความเข้าใจกันเสมอๆพวกเราติดตามฟังในรายละเอียดได้เข้าใจว่าน่าจะได้รับประโยชน์ความรักสิบมิติเพราะครูก็อธิบาย อธิบายจนถึงขนาดที่เรียกว่ามีพี่น้องของเราท่านหนึ่งบอกว่าฟังพ่ะครอัถาธิบายแล้วเนี่ยทำให้รู้ว่าเท่าที่ผ่านมาตัเองสรุปว่าตัเองเนี่ยมีความรักในมิติที่สูงผิดมาตลอดจริงๆมิติของเรายังไม่สูงขนาดเ ท, ท่าที่เราเข้าใจเลยท่านผู้นั้นอธิบายว่าเข้าใจว่าตนเองมีความรักในมิติที่10ได้ซ้ไป แต่พอฟังอ ธ, ธิบายพาอครูมิติที่หนึ่งที่สองที่สโดยเฉพาะมิติที่หนึ่งเนี่ยพ่อครูอ ธ, า ธ, าธิบายความรักสิมิติได้อย่างละเอียดมีผู้เล่าให้ฟังว่าแม้ขนาดเด็กๆที่นั่งฟังอยู่ปกติก็จะลุกออกไปทำโน่นทำ น, น, ทำนี่อะไรๆเนี่ยคือนั่งไม่ทนน่ยแต่พอฟังอ ธ, า ธ, าธิบายความรักสิมิติในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเด็กหลายคนนั่งทนคือนั่งทนคงไม่ได้ทนนั่ง แล้วก็คงจะได้รับประโยชน์จากการฟังอถาธิบายความรักสิบมิติไม่ใช่น้อยเพราะะฉนั้นก่อนที่จะน้อน้อมสักการพ่ะครูอถาธิบายเพิ่มเติมะนะขออนุญาตสรุปจากที่ได้ฟังเทศพ่ะครูต้องขออนุญาตให้เครดิตด้วยนะว่าบางทีอรรมาก็ไม่ได้ฟังโดยตรงนะแต่ธรรมาฟังฟังผ่านจากบทสรุปจากปัจฉาสมณะแสนดินซึ่งต้องขอบคุณท่านเป็นอย่างมากเลยทีเดียว่啊 บางทีเรามาอย่างเมื่อวานนี้ก็จะกลับมาก็ดึกไปงานสบแล้วก็ต้องอาศัยท่านปัจฉาสมณนะคือท่านปัจฉาเนี่ยท่านนอกจากท่านเรียนจบแพทย์มาเป็นในแพทย์มาแต่เดิมแล้วท่านดูจะมีความสามารถในการเลคเชอร์อย่างสำคัญนท่านจะจดจดคำเทศของพ่อครูค่อนข้างละเอียดแล้วก็ส่งเป็นอีเมลมจดเลคเชอร์ไม่ใช่ท่านเลคเชอร์อท่านจดเลคเชอร์ไม่ใช่ท่านเลคเชอร์ครับผมท่านจดเลคเชอร์ ไม่ใช่ท่านเลคเชอร์ขอบคุณครับพ่อครูครับจริงๆผู้ละเอียดเนี่ยนิดหน่อยท่านก็ไม่ปล่อยให้ผ่านนะเพราะฉะนั้นเราจมาซึ่งไม่ซื่อจะละเอียดนักจึงได้รับประโยชน์ในส่วนเนี้ยเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะฝากบอกกับท่านทั้งหลายว่าหลายเรื่องเนี่ยเราได้รับประโยชน์จากความขวนกวายของท่านสมณะแสนดินปัจฉาสมณะที่อยู่ใกล้ชิดกับพ่อครันะ แล้วก็นำสิ่งต่างๆนานาที่พ่อครูเทศเนี่ยเอามาถ่ายทอดผ่านอีเมลอาตมาเองเนี่ยเป็นหนึ่งในจำนวนบุคคลผู้ติดตามอ่านอย่างอุตสาหาวิริยะชื่นชอบมากสรุปเป็นบทกวีลงในรักธรรมะวันนี้เช้าบ่ายเย็นสามบทในหัวข้อเก็บเบี้ยเฉลียบุญความว่าความรักสิมิติบานผลผลสรรค่าสร้างคน ล้ำเลิศข่าด้วยพุทธชีวศิลป์จิตวิญญาสุโลกานุกรรมปายะสงบเย็นความรักศิมิติบานผลผลสันค่าสร้างคนล้ำเลิศข่าด้วยพุทธชีวศิลป์จิตวิญญาสุโลกานุกรรมปายะสงบเย็นยังดวงจินศิลปาจานบานแล้ว พุดผ่องแผ้วแม้เพียรภาคยากเข็นบุญมีต้นบุญมีจบบุญครบประเด็นกุศลธรรมเพียรบำเพ็ญไม่รู้จักพอบุญมีต้นบุญมีจบบุญครบประเด็นกุศลธรรมเพียรบำเพ็ญไม่รู้จักพอเราเดินเรือไปทุกแห่งมีต้นหนตามต้นกลนำทางสร้างเกิดกอ่อ <c oughs> มีเรี่ยวแรงเพียนเร่งรุดหรือหยุดยออรักษาตนพ้นหลักต่อของอัตตามีเรี่ยวแรงเพียนเร่งรุดหรือหยุดยออรักษาตนพ้นหลักต่อของอัตตาเราจึงถึงซึ่งอนัตตากระผมเพียงแต่ต้องการนำความรู้ที่เรีย น, น, ยนยมาเสนอหน้าชั้นให้กับครูบาอาจารย์ที่ อุตสาหะภาคเพียนสอนถึงสามวิชาไม่ว่าจะเป็นพุทธชีวศิลป์สันค่าสร้างคนและความรักสิมิติในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยบอกแต่เพียงว่าได้รับประโยชน์ไม่ใช่น้อยทีเดียวนะน้ำมการด้วยความเคารพและขอเรียนรู้เพิ่มเติมน้ำมการพ่อครูครับอ่าดีอ่าก็หน้ า, นาภูมิใจหน้าน่าภูมิใจตรงที่ว่า มาถึงวันนี้เนี่ยอาตมาทำงานมา44ปีแล้วมีคนฟังธรรมะลึกซึ้งขึ้นเข้าใจได้ดีขึ้นและแม่อัตมาเองก็เก่งขึ้นนะอันนี้ไม่ได้พูดชมเชยตัวเองนี่พูดความจริงว่า อาตมาเห็นเช่นนั้นว่าอาตมาก็มีนิรุตติมีปฏิพานเอาอัตถะเอาธรรมะที่พึงมีพึงเป็นอยู่เนี่ยเอามาใช้ขยายความเกิดปฏิสัมพิทายานทั้งสี่อย่างนี่ออกมาเสนอต่อโลกทำให้คนได้ยินได้ฟังได้รู้และก็เห็นผลว่าเออพวกเราเข้าใจขึ้นเพราะ มันไม่ใช่ง่ายอัตมาว่ามันละเอียดลึกซึ้งคำพีราทุตสาธุรนุโภธาสันตาปณีตาอัตกาวัจรานิปุนาบนดีตะเวทนียาอย่างที่พระพุทธเจ้าทตรัสไว้มันจริงๆนะเมื่ออัตมาเห็นผลอย่างนี้โอ้โหทำให้อัตมายิ่งเห็นว่ า, าอัตมาจะ พยายามจริงๆนะจะไม่ยอมตายง่ายๆ <S <S แต่ทุกวันนี้ก็แม้ขันบางทีมันก็เห็นว่าเอ๊ะทำไมมันจะเล่นงานเราอย่างนั้นอย่างนี้นะไปบันสาที่บรรราชคราวนี้ก็มีอาการจุกจิกมันก็มีอยู่บ้างอาการครั้งหนึ่งที่มันที่หน้าอกนี่มันป ว, วดก็บงคืนเอ๊ะไม่ดีที่จริมันเคยเป็นมาครั้งหนึ่งแล้ว หอมกันไปโรงพยาบาลดูซ้ำ ไ, ไปตรวจเช็คเลยนะหมอก็ทำตรวจหัวใจตรวจอะไรต่างๆนานาตามประษาหมอเขาหมดไปตั้งหลายตังค์ไม่มีอะไรกลับมาคราวนี้อาการนี้เกิดอีกทีซึ่งก็ลงความเห็นว่าอาตมาเนี่ยยังใช้ชีวิตผิด ใช้ชีวิตโหลดไปใช้ชีวิตอะไรแต่มันมากไปก็มาเข้าใจขึ้นอีกที่จึงค่อนข้างเคียงตื่นทุกทีอ่ะตื่นแต่ตมามันดื้อดื้อจะทํางานใช่อะไรเลยพยายามบอกนอนก็ไม่นอนบอกกินก็ไม่กินอบอกหยุดก็ไม่หยุดอะไรงนี้เป็นต้นก็คิดว่าเราเป็นได้อ่ะเราไม่มีอะไรมากที่นี่มันสั่งสมก็มันก็ประท้วงก็เลยมาได้คิดว่าเอาละ เราก็ต้องยอมเอาเท่าที่ควรเท่าที่ได้มันได้เท่าไรก็เท่านั้นซึ่งรู้สึกว่าอาตมาไม่เก่งตอนนี้อาตมาเร่งเขียนหนังสือค่าบุญคือบาปที่กําลังพูดอยู่เนี่ยในเล่มนี้แหละที่สันจันทเกลิ่นไปแล้วนะก็ทั้งนั้นแหละค่าบุญคือบาปเพราะว่าคําว่าบุญนี่เป็นคําเสียในภาษาไทยมาเป็นภาษาไทยที่เสียแล้วซึ่งสาระสัจจะของคําว่าบุญเขา คำว่าบุญเขาจริงๆแล้วเนี่ยมันหมายความว่าสั้นตานังปุนาติวิโซเทตินี่เป็นคำแปลรากเงาในอัตมาว่าโอ้โหมันเป็นซ่อนซ่อนซุกๆอยู่ในคำอธิบายผู้ที่ได้เรียบเรียงเก็บรักษาคำต่างๆนี่มาในพจนานุกรมฉบับไทยบาลีอังกฤษที่ของ ฉบับภูมิพลซึ่งมีตั้งเจ็ดแปดเล่มใหญ่เคยย้ายความได้ละเอียดก็ยังอาตมาเรียนไปเห็นเหลือหลุดอยู่ตรงนั้นนิดเดียวจวนจะถ้าไม่มีประโยคนี้นะหายไปแล้วประโยคนี้นี่ท่านธรรมปาละเป็นผู้เก็บไว้แล้วเอามาบอกว่าท่านเอามาอธิบายว่าปุญญะเนี่ยในภาษาบาลีเดิมปอ ปอปลาเขาไม่มีเขาไม่เรีปอปลาเขาเรียกปะปรับอภภาพมันมันเป็นแล้วก็ย่อเยิงสองตัวปุญญาคาแปลของมันเนี่ยคือท่านใช้ภาษาบาลีแปลสันตานังสันดานเนี่ยสันตานังปุนาติอิโสเทติสันตานังก็คือสันดานปุปุนาปุนาติก็คือชํมระ การชำระส่วนวิโสเทตินั่นคือความหมดจดนะก็หมายความว่าบุญนี่คือการชำระกิเลสในสันดานให้สะอาดหมดจดนะบุญนี่มีความหมายนิยามอย่างนี้ชัดเจนเลยนะเพราะฉะนั้นคำว่าบุญนี่จึงมีลึกซึ้งในภาษาธรรมะเมื่อคำว่าบุญ มันผิดนิยามันไปแล้วมันก็เลยปฏิบัติไม่เป็นผลเช่นคำว่าบุญที่ปฏิบัติกันจนกระทั่งถึงขั้นมีผลจริงๆท่านก็ใช้พยายามใช้พยายามชนะว่าอภิสังขารเช่นปุญญาอภิสังขารปุญญาภิสังขารคือการสังขารนี่คือการจัดการการกระทำจัดการจัดการใน กิจนั้นในงานนั้นจัดการปลตกตกแต่งปรับปรุงเพื่อพัฒนามันขึ้นมาสังขารเนี่ยเพราะฉะนั้นแต่สังขาราาขาในขั้นอภิเป็นขั้นที่มีผลยิ่งอภินีิยิ่งพระพุทที่มีปัญญามีทฤษฎีมีคุณธรรมถึงขั้นก็สามารถจะปฏิบัติตนปฏิบัติธรรมให้เกิดอภิสังขาร ถึงขั้นปุญญาถึงขั้นทำให้กิเลสลดจริงๆลดลงได้จึงเรียกว่าปุญญาพิสังขารปุญญาพิสังขารสังขารอภิสังขารสามนีปุญญาพิสังขารอปุญญาพิสังขารแล้วก็อเนนชาพิสังขารเพราะเข้าใจคำว่าบุญผิดคำเดียวอ่ะก็เลยไปแปลกันแม้แต่ในภาษาไทยก็ไปแปลกันว่าปุญญาพิสังขารคือการ สังขารเป็นบุญนี่แปลง่ายๆมีการสังขารที่เป็นบุญส่วนอปุญญาพิสังขารท่านก็เลยไปแปลอปุญญะเนี่ว่าบาปกลับกันเลยถ้าแปลกลับกันแล้วก็แปลว่าสังขารที่เป็นบาปส่วนอนเนชาพิสังขารก็แปลตรงตัวอยู่แล้วว่าปรุงเป็นการปรุงให้เกิดความไม่หวั่นไหวเกิดความตั้งมั่นไม่หวั่นไหวให้ ดียิ่งขึ้นซึ่งที่จริงอภิสังข า, ารทั้งสาเนี่ยอภิสังขารทั้งสามเนี่ยมันเป็นขั้นโลกุตระโลกุตระอย่างที่ท่านจันเกินไปแล้วว่าโลกุตระนั้นมันมีถึงสี่สิบหเพราะนั้นผู้ใดที่มีความรู้ถึงระดับโลกุตระตั้งแต่เริ่มสี่สนี่ก็เริ่มตั้งแต่โพธิปัฏฐิธรรม37เริ่มตั้งแต่สติปัฐานข้อแรก เริ่มตั้งแต่ตัวแรกเลยกายในกายของเศรษฐประฐานสี่กายในกายเทา 4, ายายวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมเพราะพระพุทมีภูมิธรรมมีปัญญาจริงก็จะทำพิจารณาหรือจัดการสังขารอภิสังขารนั่นแหละจัดการกับจิตของเราเป็นโยนิโสมนสิการเป็นการจัดการเป็นการทำทำใจในใจของเราเราปรุงแต่งหรือตกแต่งหรือว่าปรับปรุงหรือว่า ทำให้จิตของเรามันเจริญขึ้นน่ะจัดการรู้กับใจรู้กับจิตมีความรู้ใจกับจิตที่จริงเลยนะเพราะฉะนั้นเมื่อไม่เข้าใจในระดับโลกุตระโดยเฉพาะโลกุตระสี่สิบหกนี้ซึ่งมันยืนยันเลยอาตมาว่าไม่ให้มันชัดเจนมากเลยอาตมาก็พึ่งไปเจอนะเจอคําว่าโลกุตระสี่สนี่ในพระไตรปิดกเนี่ยที่จริงเจอในของท่านพรมคุณาภร์มา เก็บบันทึกไว้อันนี้อาตมาก็ต้องขอบคุณท่านพรมคุณาพรนี่แม่เขาอาตมาเห็นท่านเป็นผู้ที่เลิศแมนจริงๆท่านศึกษาแล้วก็เก็บอะไรอะไรมาไว้เจ้าอาตมาได้ใช้ประโยชน์ได้รับประโยชน์จากงานที่ท่านทำมานี่โอ้โหต้องขอบพระคุณอย่างสูงจริงๆเลยท่านเรียบเรียงท่านเก็บไปดีมากเลยอาตมาเขาต้อม ถ้าไม่ได้ของท่านเนี่ยอาตมาก็คงหลุดไปเยอะมันลืมมันหลุดพอมีตัวพระอัญชนาหรือมีลักษณะที่มันฟื้นให้นึกถึงธรรมะได้มันมีบัญญัติเตือนอ๋ออันนี้อันนี้อันนี้มันก็ขึ้นมาไม่เช่นนั้นมันมันจมแล้วมันหายไปโอ้โหอาตมามันไม่เก่งอ่ะยังไม่ถึงพระพุทธเจ้ามันก็ได้เท่าที่ได้เพราะจึงเห็นว่าคาว่าบุญเนี่ย เขาใช้กันมาผิดมันก็เลยไปกันใหญ่เมื่อเข้าใจคำว่าบุญก็ผิดเข้าใจคำว่าโลกุตระหรือโลกิยะก็ไม่ได้จึงปฏิบัติทำไม่ได้เลยตั้งแต่โลกุตระตัวแรกคือกายในกายเพราะอะไรเพราะคำว่ากายในกายก็ผ่านผิดไปด้วยผิดยังไงไม่รู้ว่ากายคืออะไร กายคืออะไรกายนี่เป็นภาษาบาลีนะกายกายโยเนี่ยทีนี้มันมาเป็นภาษาไทยแล้วด้วยความเข้าใจผิดเหมือนคำว่าบุญนะ่มาเป็นภาษาไทยแล้วก็เลยกลายว่ากลายเป็นว่าคำว่ากายหรือกายโยคำนี้เนี่ยมาเป็นภาษาไทยเนี่ยมันหมายถึงร่างมายทึงสรีระเท่านั้นกายเนี่ยซึ่ง ผิดอย่างลึกซึ้งมากเลยในทางพุทธศาสนาเพราะคำว่ากายนี่มันหมายถึงนามธรรมเราเรียกนะเราเรียกว่ากายกับจิตแบ่งกายกับจิตออกแต่กายก็คือนามธรรมอยู่นั่นเองจิตนั้นแน่นอนอยู่แล้วว่าเป็นนามธรรมเพราะกายนี่ภาษาบาลีภาษาธรรมะนี่มันไม่ได้เป็นเฉพาะรูปธรรมแต่มัน เกี่ยวข้องกับรูปด้วยกายแม้จิตก็เกี่ยวข้องกับรูปแต่มันเป็นภายในถ้ากายเนี่มันเกี่ยวข้องเป็นภายนอกนจิตก็เกี่ยวภายนอกได้แต่ว่ามันมันมันแยกกันอยู่ว่าถ้าจิตเนี่ยมันมันจะเกี่ยวภายในถ้าภายนอกมันก็นอกเข้าไปหาในส่วนกายนี่นะภายในแต่มันเอื้อมมาหานอกมันแบ่งหน้าที่กันอยู่แค่นี้ทีนี้ไอ ชัดที่สุดก็คือว่าคำว่า ก, กายนี่ถ้าไม่มีนามมาทำก็ไปเกี่ยวข้องเลยเนี่ยผิดศูนย์เลยแต่ภาษาไทยคำว่า ก, กายไม่เกี่ยวกับนามเลยไม่เกี่ยวกับจิตเลยแยกมาเป็นบอดี้แยกมาเป็นแมตเตอร์มันหมายเอามาเป็นเรื่องของวัตถุมาหมายเอาเรื่องของโครงร่างบอดี้ข้อภัยแม่แต่ท่านผมกุณาพรก็บอกสับว่า กายรรูปเนี่ยหมายถึงบอดี้หมายถึงเมตเทอร์ซึ่งมันก็เลยไปไม่รอดแล้วถ้าเขา้าใจอย่างเงี้ยกับพิเจา้าลกายในกายเขาก็เอาแต่โครงร่างอะดิใช่ไหมท่านต้นี่กายนอกแล้วกายนอกคืออะไรอะ่ะอันในกายในใช่ไหมกายในมันเกี่ยวกับจิจตแล้ว แต่กายนอกมันไม่มันก็เกี่ยวกับจิตนะจิตต้องรับรู้คำว่ากายเนี่ยถ้าไม่จิตเขาร่วมเลยนี่ไม่มีไม่มีกายเรียกได้แต่ว่าร่างรูปรีระของมันเรียกกายไม่ได้แม่กายก้องขวดใบนี้ท่างงามพูดไหมร่างรูปร่างก้องขวดใบนี้เราไม่พูดว่ากายใบนี้ แล้วเรียกว่าร่างกายใบนี้เราเรียกไหมร่างกายของขวดเราเรียกไหมเราเรียกอย่างเก่งก็รูปรูปร่างของขวดเราไม่เรียกร่างกายและไม่เรียกว่ารูปกายวัตถุเราไม่เรียก อ, อันนี้ก็ยังดีนะดีที่ว่ามันยั ง, ย ง, ยงมันหยัดถูกแต่มันไปผิดคําสําคัญคือคําว่ากายเลยไปเข้าใจว่ามันเป็น เวลาเรียกเรียกถูกนะนี่มันไม่เรียกร่างกายน ะ, ะเรียกรูปร่างไม่เรียกร่างกายใช่ไหอ่าก็ยังเรียกถูกนะแต่พอเอาเข้าจริงพอไปเป็นปรมัติตเป็นเรื่องของเกี่ยวกับธรรมะทางนามธารรมก็ยังไปยืนยันอยู่ว่าเป็น ร, ร่างร่างกายนี่เป็นร่างเท่านั้นไม่ใช่กายที่มีจิตเข้าไปร่วม เพราะเมื่อใดถ้าไม่มีนามมันทำหรือไม่มีจิตเขาร่วมด้วยคำว่ากายไม่ใช่ปรมัติ์กายคือจิตเจตสิกรูปนิพานถึงแม้เป็นรูปกายก็ต้องเนื่องเกี่ยวกับจิตวิญญาณถ้ารูปรูปรูปนี่ไม่เกี่ยวกับจิตวิญญาณรูปกายกับรูปรูปต่างกันถ้ารูปรูปมีแต่ข้างนอก ไอ้เจ้นี้มีรูปรูปเท่านั้นชัดเจนเลยเพราะงั้นเราไม่เรียกว่านี่รูปกายของมันใช่ไหมเราเรียกแต่ว่ารูปร่างของมันสรีระของมันเป็นแมทเทอร์หรือเป่าเป็นบอดี้โครงร่างหรือว่าเป็นวัตถุเท่านั้ น, มนไม่ได้มีนามาทำกัระุ่งเกี่ยวเลยอย่างนี้เป็นต้นเมื่อเข้าใจกายในกายตัวแรกไม่ถูกแล้ว ซึ่งเกี่ยวกับ น, นามธรรมาและเวลาพิจารณาโลคุตระจะต้องเข้าถึงจิตเจตสิกรูป อ, อล้รก็รูปก็คือรูปนามหรือรูปที่มีนามธรรมาร่วมด้วยตั้งแต่รู ป, ปรกายไปเลยหรือเป็นนามรูปก็ยิ่งชัดเจนว่าเป็นรูปที่ต้องเกี่ยวกับนามธรรมาแน่นอนดังนี้เป็นต้นเมื่อพิจารณาคำว่ากายในกายเพี้ยนผิด ไม่ต้องไปพูดถึงโลกุตระระดับสูงต่อไปใช่ไหมต้นมันก็ผิดแล้วอบอกจะไปขึ้นต้นอ ะ, อะไรไปจะไปขึ้นต้นท้อดันไปขึ้นต้นดาแยเท่านี่เรื่องการปต้ขึ้นต้นพุทธศาท่านี่หรือว่าอีเล็บเหี่ต้นเล็บเหี่ยวนี่ก็เจ็บตายในน้ำเต็มเลย ขึ้นต้นงิ้วอย่างเงี้ยโหเสร็จเลยไม่ไปขึ้นต้นท้อเอาลูกท้อมากินหน่อยไปเข้าใจผิดไปขึ้นต้นงิ้วเข้าไอ้ไอ้ที่จะไม่เอาอะไรมากินหรือว่าจะไปขึ้นต้นอะไรไปขึ้นต้นเล็บเหยียวโอ้น้ำมันยิ่งอองอย่างเงี้ยเล็บเหยียวนี่น้ำมันจะโค้งกลับเกี่ยวแล้วนี่ยมันดึงย้อนเลยนะก็เสร็จสิ ขึ้นต้นผิดแล้วก็ไปไม่รอด น, นี่เป็นต้ น, นาอาตมากำลังสาธยายคำว่ากายก็ดีคำว่าบุญก็ดีตอนนี้หนักแท้ละเอียดมากเลยาามาเข้าเรื่องอาตมาเตรียมปึ้งมาเนี่ยเรียบเรียงแล้วเรียบเรียงอีกโอ้โหอาตมาไปราชานีอโศกเขียนหนังสือตับ มีเวลาออกมาไม่ได้ไปดูอะไรมากมันน้ำกดท่วมอะไรต่ออะไรก็เกิดเหตุการณ์แต่ว่ากรณดีอัตมาก็มีบุญคนเขาช่วยกันทำอะไรต่อไป อ, อัตมาก็ไม่ต้องท่านเอาภาระกันช่วยจัดการอะไรต่อ ไ, ไปอัตมาก็เขียนหนักจนกระทั่งเกิดอาการอย่างที่เล่าให้ฟังได้ไม่กี่หน้าจากนี้ไปนะเขียนไป ขึ้นหน้า50ละไปที่นูนเขียนเกือบเดือนไม่ถึงส0บหน้าได้ไม่ถึงส0บหน้าขยายอยู่เนี่ยแกแล้วแกอีกแล้วก็เจอไอ้ตรง น, นี้เอ้าดีอี ก, ก็าต่ออีกก็มาขยายความให้มันดีขึ้นอีกอยู่นั่นแหละจนกระทั่งมานี่ยังได้แค่ถึงหน้าห7บเจยัง แก่งยังอนุโลมจริงๆก็แค่หน้าหกสิบสี่กำลังยังแก้อยู่นี่เมื่อกี้ก็ยังแก้เนี่เดี๋ยวก็ขึ้นไปเขียนใหม่ต่อหน้าหกสิบสี่เอามาเป็นน้ําจิ้มหน่อยเอามาโชว์พอหนังสือออกจะได้รีบแย่งกันย่างกันได้เพราะหนังสือเราแจกฟรีรย่างก็ไม่มีตังค์ก็ย่งได้ถ้าขายราคาแพงๆก็ มิสามารถยั่งเนีว่าบางคนทิ้งเงินน้อยต้องสงวนไว้ก่อนนี่ได้ยั่งได้เลยออกมาได้บดิบยั่งกันได้เลยอาจะมาวันหนังสือค่าบุญคือบาปเนี่ยคงจะน่าดูคงจะน่าดูในวงการศาสนาเพราะว่ามันจะอรหัตละได้แล้วเพราะว่ามันจะขอ อ, อภัยนะมันมันจะต้องเอาสิ่งที่โบราณจัก ท่านบรรดาคณาจารย์ที่ท่านได้บรรยายไว้มีหลักฐานอ้างอิงอาจจะอาตมาจะต้องเอามาอ้างอิงแล้วก็จะต้องมาขยายเลยมาบอกชี้บอกว่าอย่างนี้มันผิดพลาดไปนะตามความเห็นของอาตมาอย่างนี้มันมันไม่ถูกแล้วอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้เพื่อการศึกษาก็ต้องขออภัยท่านอาตมาเคารพนับถือนะท่าน ยกตัวอย่างเลยบอกไม่ใช่ยกตัวอย่างเระบอกจริงๆเลยชัดๆเลยท่านพระคุทธนาภรณ์พูดไปแล้วเมื่อกี้หรือท่านพุทธทาต น, นี่เป็นตน้นก็ยอมรับกันทั่วโลกไม่ใช่ใช่เพาะในเมืองไทยด้วยซ้ําว่าท่านเป็นปลอดทางาศาสนาพุทธและอาตมาเนี่ยเป็นปลูดดีไม่ดีเขาเรียกเปรต ด, ด้วยซ้าไปเขาเรียกเปรตทางาศาสนาพุทธด้วยซ้าไปนะเพราะงั้นก็ก็ลําบากอยู่แต่อาตมาก็ต้องทำนะใครจะ เข้าใจผิดเพ่งโทษอะไรบ้างอาตมาบ้างอาตมาก็ไ ม, ม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่อาตมาต้องการที่จะแสดงความจริงที่อาตมาเห็นหรือพยายามที่จะบอกทางเลือกว่าอันนี้มีความหมายอย่างนี้เป็นอย่างนี้เนี่ยอาตมาไม่ได้ไปบังคับนะไม่ได้ไปบังคับไม่ได้ไปแต่อาตมาต้องยืนยันยืนยันว่าอย่างนี้ถูกอาตมามั่นใจ อันนี้แม่อัตมาบอกว่าอัตมามั่นใจว่าอย่างนี้ถูกอัตมาเอาสิ่งที่ไม่แน no ่ใจมาอธิบายอัตมาก็ไม่เข้าท่าใช่ไหมอัตมาไม่แน่ใจไม่มั่นใจเอามาอธิบายยืนยันว่าเป็นยังนี้ถูกอัตมาก็ว่ากันตรงนั้นเพราะอัตมาต้องยืนยันว่าอย่างนี้ถูกนี่อัตมามันเลี่ยงไม่ได้อัตมาต้องยืนยันว่ายังนี้ถูกร่ะอัตมามั่นใจว่ายังนี้ถูกอัตมาก็ต้องยืนยันใช่อัตมาไปหล่อแหละไปไม่แน่น่าอาจจะ อาตมาว่าโอ้ถ้าลักษณยังอาจจะยังไม่แน่นี่อาตมาว่าอาตมาก็ต้องพูดอันใดที่ไม่แน่ก็บอกแต่อันใที่มั่นใจอาตมาก็ต้องบอกว่ามั่นใจนะไม่เช่นนั้นแล้วเมื่อไร่เราจะ ร, รับทราบว่าอะไรมันมีน้ําหนักแค่ไหนใช่ไหมอันนี้เป็นสัจจะในการศึกษาที่จะต้องบอกกันเพราะคราวนี้ในี่ใครจะต้องเข้าใจอาตมาผิดหาอาตมาไปลบหลู่ท่านพุทธทาสไปลบหลู่ท่านพรหมกุณาภรณ์ก็ก็ต้องยอมเสียรางวัล เพาต้องการที่จะประกาศความจริงของความจริงที่อาตมามั่นใจว่านี่ถูกต้องอันนั้นผิดพลาดข้ออภัยพูดอย่างนี้เหมือนไปข่มไปว่าท่านนะ่ะว่าที่ท่านเข้าใจนะั้นมันผิดพลาดเช่นธรรบุตราท่านเข้าใจคําว่าบุญน่ที่จริงถ้าเข้าใจถูกนะแต่มันก็มีนัยยะที่ผิดไงอาตมา ก, ก็ต้องเอามาพูดว่านัยยะอย่างไรที่ท่านถูกนัยยะอย่างไรที่ท่านผิดผิดเพราะเหตุอะไรอาตมาขยายความอยู่เสียเวลายาวขยายความแค่คำว่าบุญาบากของธรรมบุตรตาละ ถูกส่วนไหนไ ม, ไม่ถูกส่วนไหนและเป็นเพราะอะไรท่านจึงเข้าใจอย่างนี้มันก็ต้องอธิบายเข้าไปเข้าไปเข้าไปเพื่อให้รู้ว่าอ๋อท่านเป็นอย่างนี้เองท่านถึงเข้าใจอย่างนี้ขยายความอย่างนี้นวันนี้อาจารยขยายความตรงนี้ไม่ถึงก็ขอผ่านไปก่อนบกยกตัวอย่างไว้ก่อ น, นเอาลองที่อามาเตรียมมานี่มาว่ากันดูว่าคําว่าบุญเนี่ย พวกเราได้ยินมาได้เรียนมาบุญกิริยาวัตถุบุญกิริยาวัตถุสิบซ่งที่จริงของพระพุทธเจ้านะั้นมีสามส่วนอีกเจดข้อนั้นนะ่ะอัตมาก็ไม่ไม่ชัดไม่ชัดว่าใครเป็นผู้ที่ขยายความนี้หรือพระพุทธเจ้าท่านขยายความเองอัตมาไม่ชัดผ ม, ผ, มผมขออนุญาตครับเจข้อมาในชั้นอัตกถาครับนั่นน่ยอัตมาก็คิดว่าจะเป็นเช่นนั้นครับผม นะอัตถกถามาขยายความใก็อัตถกถาขยายความก็ดีก็ไม่ได้หมายความอัตถกะทะขยายผิดไปสมดแต่ผิดก็มีไม่ครบก็มีไม่สมบูรณ์ก็มีแต่ดีก็มีแต่แน่นอนดีมากเกินนุบุตรเจ้าไม่ได้หรอกนอกจากว่าเราเก็บคําสอนนุบุตรเจ้ามาไม่หมดหรือนุบุตรเจ้าท่าไม่ได้สอ น, ไ ม, ไ, สอนไม่ได้ตักอันนี้ไว้แล้วทัตอัตถกาจารย์ก็มาขยายความซึ่งไม่ได้ออกนอกเนื้อหาของท่าน อเอางีา้เริ่มต้นคำว่าบุญกริยาวัตถุข้อสองข้อหนึ่งนั้นทานอัตมาพูดหลายทีแล้วบุญที่สำเร็จด้วยการทำทานด้วยการให้อัตมาก็พูดมาหลายทีแล้วว่าเมื่อเข้าใจไม่เป็นข้อหนึ่งของสมาธิอัตถิทินนังยังเข้าใจการทานเป็นนัตถิทินนัง ในการปฏิบัติธรรมเนี่ยปฏิบัติมักองแปดนี่แหละนะสัมมาทิฏฐินีน่ข้อแรกประธานนี่แหละท่านก็ขยายความมาต้องรู้ในเรื่องของทานองศีลของจิตจริงจรงทานก็ดีศีลก็ดีจิตก็ดีที่มีผลเนี่ยที่เรียกว่าแล้วทานแล้ ว, ลวปฏิบัติศีลแล้วได้ผลแล้วเนี่ยก็คือทินนังยิทถังหูตังนี่แหละซึ่งก็คือทานอะไมศีลละไมาแล้วก็ภาวนาไม่นี่แหละ มันเป็นอย่างไรมันสําเร็จด้วยการรักษาศีลสําเร็จด้วยการปฏิบัติแล้วที่ท่านแปลกันว่าบูชาแล้วทานที่บูชาแล้วหรือว่าศีลพศศีลยันยบูชายันยพิธีที่บูชาแล้วอะไรเนี่ท่านก็ว่าไปแต่กเกิดผลหรือไม่เกิดผลหูตังเนี่ยท่านก็ขยายความพยัญชนะคือท่านพยายามรักษาพยัญชนะไม่ให้ผิดนะี่ยซึ่งเกาเห็นใจท่านนะเพราะว่าท่านนั่นไม่รู้จักภาษา อนื้สภาวะแท้ถ้ารู้จักสภาวะแท้เลยเนี่ยเราใช้ภาษาไทยขยายอธิบายตัวนั้นก็ได้อย่างอาตมานี่ใช้บ่อยใช้บ่อยแต่ก็พยายามที่จะแหมประนีประนอมว่าไม่ให้ออกจากภาษาที่ท่านอธิบายไว้ไม่งั้นหาว่าอาตมาพูดเอาเองหมดเสียอาตมาระวังระวังแต่ก็ยากมากเลยมันไม่รู้จะทําไงนะแต่ก็จําเป็นถ้าไม่ขยายความไปหาภาษาไทยแท้ๆ ท, ที่พอเข้าใจได้ เพราะเราก็ยังนุ่งนังนุงนังอยู่กับไอ้ภาษาที่มันดึบดับดึบดับมันไม่เคยเข้าใจเว้ยไม่เคยรู้เรื่องอยันยบูชาที่บูชาแล้วมีผลหรือยันยบูชาที่บูชาแล้วไม่มีผลสังเวยที่บูชาแล้วมีผลแล้วมันอะไรสังเวยที่บูชาแล้วในข้าแบกหูตังหุตังสังเวยที่บูชาแล้วมีผลมันเป็นยังไงสังเวยที่บูชาแล้วมีผลสังเวยคือยังไง อคิดแต่รูปทาว่าสังเวยก็คือภาษาไทยนะเราก็ใจตำเนื้อไทยก็บอกเออเอาไปสังเวยเอาอันนี้ไปให้คนนั้นแล้วมันเกิดผลอะไรเอาข้าวไปสังเวยสารสารพุธตธาสารสานพระภูมิเอาข้าวไปสารพระภูมิไปสังเวยพระภูมิแล้วพระภูมิได้ฉันไหมพระภูมิได้กินไหม เอาข้าวเอาน้าเอาขับอะไรไปให้พระภูมิพระภูมิกินไหมได้ผลไหมอัตมา่ามดได้ผลจริงจกได้ผลตุแกได้ผลดีไม่ดีหมาได้ผลหมอข้าวกินเลยพระภูมิได้ผลไหมเขาไม่รู้สังเวชได้ได้ผลอะไรผลทางวิญญาณผลทางจิตพระภู ม, มิมีมีจิตไหมมีวิญญาณไหมแล้วพระภูมิคืออะไรได้รับผลไหม การให้อย่างเนี้เช่นเอาข้าวไปให้แกพระพระภูมิพระภูมิจะเป็นใครสักคนหนึ่งพระภูมิเจ้าที่พระภูมิเจ้าที่เช่นเราเป็นเจ้าของที่ดินเนี่ยเราเป็นพระภูมิเจ้าที่คุณเอาข้าวมาให้เจ้าของที่ดินเจ้าของที่ดินก็เลยเออดีกําลังหิวข้าวทีเดียวไม่ได้กินข้าวนี่ตายแน่เลยพระภูมิก็ได้ผลพระภูมิก็มีเมตตาพระภูมิก็ขอบคุณพระภูมิก็อ้าวที่อ้าวแบ่งที่ให้ทํากินทําใช้ ก็เป็นประโยชน์แก่กันและกันได้ผลได้ผลใจมันรับหรือแม่เอาไปถวายพระภูมิหรือไปถวายเจ้าของที่ดินแล้วเจ้าของที่ดินก็ได้กินได้กินที่เ ข, า, ขาเอาไปคล้องถวายหรือไปให้เจ้าของที่ดินกินเจ้าของที่ดินก็ไม่มีใจไม่ไม่เห็นดีไม่ขอบคุณไม่ตอบแทนไม่อะไรเลยเมือนกับถวายดุนไม้ไปถวายแก่สัตว์เตระชานมันกินมันก็หายไปเลย ไม่มีผลอะไรเลยไม่มีเกิดคุณค่าทางทุนธรรมเออเกิดเขารู้สึกคุณรู้สึกบุญสึกคุณรู้สึกจะเออเข้าใจบุญคุณที่เขาเอาข้าวไม่กินมันไม่เกิดเลยทางจิตวิ ญ, ญญาณมันไม่เกิดเลยเอาข้าวไม่กินเออคนก็กินเอาไปให้หมาหมาก็กินหมาไม่ไนึกถึงบุญคุณอะไรมันก็ไปกินแล้วมันก็ไปอ่อะไรงี้เป็นต้นมันไม่เกิดผลดีทางจิตเลย ดีไม่ดีเกิดผลร้ายเอาไว้ให้หมากินแทนที่หม า, มาจะรุกบุคุนหมากัดเราตอบหมากัดเราเลยเราเอาข้าไวไปกินแท้แท้ก็เป็นได้ได้เกิดประโยชน์อะไรที่จะเป็นประโยชน์แก่กันและกันไม่ใช่ว่าต้องการจะได้ผลตอบแทนนะแต่โลกมันต้องรู้จักการตอบแทนกตัญญูกตวเวทีต้องมีต้องอย่างนี้สังคมมนุษยชาติเพราะว่าคนนะ่ะมนุษย์นะ่ะ ไม่ใช่แก่หมาไม่ใช่แค่สัตว์ได้ด้วยฉานหมามันยังตอบแทนคุณคนนะหมาบางตัวเพราะฉะนั้นคนแท้ๆเนี่ยาษาดีบุตรนะมีราธาพามม า, มาพบพระพุทธเจ้าแลว้วก็ฟังธรรมโอ้โหพระพุทธเจ้าว่าเออเธอเหมาะที่จะบวชแล้วราธาพามจนไม่รู้จะไปเอาเครื่องบวชมาบวชที่ไหนให้ อไปหาที่ไหนก็ไม่ได้คนจนไม่มีใครจะสงเคระาะห์ภาษาดิบุตรได้ยินเข้าเห็นเข้าบอกอ๋อจำได้ว่าราตพราหมณ์เคยใส่บาตรหนึ่งครั้งหนึ่งทพีให้แก่ภาษาดิบุตรเพราะฉะนั้นขอเป็นผู้อุปการะขนขวายหาเครื่องบวชให้แก่ราตพราหมณ์นี้อย่างนี้เป็นต้นข้าวทพีเดียวเกิดผลโอ้ได้ชุดบวชครบเครื่องพแพงกว่าข้าว ท่าพีหนึ่งไม่ตั้งหลาไ ห, น, ไห น, นนี้เป็นต้นอันนี้มันเป็นเรื่องของบุญคุณอันนี้เป็นเรื่องของจิตวิญญาณมนุษย์น่ะมันตอบแทนยิ่งไปกว่านั้นพระสารีบุตรเนี่ยมีอาจารย์ท่านแรกคือพระอาสัชิเมื่อจะนอนนะนะก็หันศีรษะไปทางพระอาสัชิอันนี้เป็นการะระลึกถึงบุญคุณของพระสารีบุตรครั <ผม S 1> เป็นคุณธรรมของท่านเอาเดี๋ยวจะยาวยืดไปขยายความไปเรื่อยออกมาเข้าสู่คําว่าบุญคือการชําระกิเลส สั้นตานังปุนาปุนาติเวโซเทติเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าทําอย่างไรก็แล้วแต่คุณปฏิบัติอย่างไรก็แล้วแต่จะปฏิบัติทานปฏิบัติศีลพลดอย่างไรก็ตามหากจิตไม่ได้เกิดการชําระกิเลสเลยไม่เกิดบุญเกิดแต่กุศลเกิดแต่คุณงามความดีเกิดแต่คุณงามความดีคุณจะทําทานคุณจะทํา ปฏิบัติทำเคร่งครัดขนาดไหนก็ตามมีวิธีการเคร่งขนาดไหนก็ตามขนาดแบบฤาษีก็าทรมานทรกรรมร่างกายอะไรก็ตามหรือไม่ไม่ถึงกรทรมานนะคุณปฏิบัติให้มันได้ผลนะทําำคัญก็คือคุณต้องรู้จักจิตคุณต้องอ่านจิตเป็นต้องอ่านจิตออกถ้าอ่านจิตไม่เป็นอ่านจิตไม่ออกแล้วก็จับตัวกิเลสไม่ถูก วิธีทำให้กิเลสลดซึ่งก็ขยายความกันอยู่นะประหารห้าวิกรารประหารตะตังก์ประหารแล้วก็สำเร็จไปเรื่อยๆสมุเชตประหารปรสสติตประหารนิสรประหารไปเป็นผลที่ลึกซึ้งละเอียดขึ้นไปตามลำดับเนี่ยถ้าคุณไม่เข้าใจในการประหารอย่างไรด้วยวิธีการต้องสร้างสร้างฌาน แล้วก็จะสั่งสมเป็นสมาธิเป็นวิมุตติเป็นวิมุตติยานทัศนะไปตามลำดับถ้าเผิดอว่าคนทำไม่ถูกจริงๆไม่รู้จักจิตเจตสิกรูปนิพพานไม่รู้จักปรมัตจิตต่างๆเจตสิกต่างๆรูปต่างๆรูปย่บปหรือรูปยี่ิสี่เป็นต้นรูิจิตต่างๆจิต89จิตรอยย่ออะไรก็แล้วแต่เจตสิกต่างๆ พ้าบอกว่ามีภาษาวจิตภาษาวเจตสิกภาษาวรูปแต่คุณไม่เข้าใจสภาวะญาณรือความรู้ธาตุรู้คุณนี่ไม่สามารถยังก็ไปสัมผัสรู้ว่าอาการของจิตจิตเป็นยังไงเจตสิกเป็นยังไงนามธรรมาเป็นยังไงเช่นอัตมากําลังอธิบายว่ากายมันต้องมีนามธรรมาร่วมด้วยเพราะฉะนั้นกายในกายที่ตาเห็นรูปข้างนอกตาสัมผัสรูปข้างนอก จนแล้วก็เกิดองค์ประชุมของการรู้กายองประชุมของการรู้ก็ไปข้างในคุณก็ไปพิจารณากายในกายกายในกายนั้นมันร่วมรู้หนึ่งสองมันมีความสัมพันธ์ที่เป็นการเป็นนามต่อไปเช่นมันเป็นเวทนาเป็นจิตเป็นธรรมะในสี่อันในกายเวทนาจิตธรรมก็อันเดียวกันมันเนื่องกันอยู่มันไม่ขาดกันเป็นปัจจัยแก่กันและกันไม่ขาดกันตรงไหนเลย เพราะเมื่อมันเป็นองค์ประชุมอยู่ในนี้ต่อเนื่ อ, นองจากการสัมผัสรูปนี้แล้วเวทนาคุณรู้สึกยังไงความรู้สึกหรือเป็นอารมณ์อารมณ์อย่างนี้มันเป็นอาการยังไงอารมณ์ยังไงอารมณ์ชอบอารมณ์ไม่ชอบอารมณ์เฉยๆนี่ง่ายๆชอบหรือไม่ชอบหรือเฉยๆก็เรียกว่าเวทนาแล้วเรียกว่าอารมณ์แล้วจากการสัมผัสองค์ประชุมของนี้แหละตากระทบรูปเนี้ย มันเนื่องกันอยู่เนี่ยคนอ่านไม่ออกหรือคุณเข้าใจผิดว่ากายมันมีแต่รูปแล้วคุณก็ตัดทิ้งสม ว, วทนาก็ไม่เกี่ยวกับรูปนี้แล้วถ้าคนไปพิจารณาเวทนาอันไรก็ไม่รู้เรื่องไหนก็ไม่รู้เอาสัญญาด้วยความจําเท่านั้นม า, ม า, ม, ามาพิจารณาก็ได้ถ้าคุณแม่นในสัญญาในความจํานั้นแล้วพิจารณาเห็นว่าในความจํานั้นเช่นเราดึก ถ, ถึงรูปนี้แหละเอาสมมติรูปนี้แหละอ๋อ เราสัมผัสรูปนี้ตั้งแต่เมื่อนันเมื่อนีบุเพนิวาสนานุสติญาณเห็นแล้วเราก็พิจารณาแบบเออตอนนั้นเนี่เราสัมผัสแล้วเราเราเฉยๆเนาะก็ไอ้สิ่งนั้นหรืออ๋อเมื่อเราไปสัมผัสสิ่งนั้นก็เมื่อนั้นเมื่อนี่เราชอบแฮชอบขนาดไหนชอบขนาดที่มันไม่ใช่ของเรานะอยากได้ เอาแฮช่วยเอาโดยวิสาสะช่วยเอาโดยรู้ว่าเจ้าของเขามีในฐานะอันเป็นขโมยเราได้ทาแฮะใจตัวไหนมันทําทุจริตอย่างไรใจตัวไหนมันอยากแรงกล้าถึงขั้นละเมิดว่าไปเอาของเขาที่ไม่ใช่ของเราหรือแค่ถือวิสาสะก็ตามเราจะเข้าใจเลยแล้วจิตมันเลวหรือมันดีก็เข้าใจอ่านจิตตัวเองต่อ ว่าอ๋อนี่มันเกิดจากสราคาะโทสะสะโมหะเกิดจากจิตก็รวมอยู่ในเวทนาในเด็เวทนามันชอบไงอารมณ์ชอบเสร็จแล้วจิตเป็นตัวไหนเป็นตัวเหตุจากที่ทชอบแล้วทาไงเอาซิวะเอาซิวะแล้ไอ้ตัวเอาซิวะนี่มันเป็นของคุณเนอะมันจากของคุณมันคิดโกงมันเป็นจิตอยากได้ราคะจัดแรงจัดโลภจัด คุณก็เอาของเขาไปคุณก็ทําชั่วจากเหตุตัวราคะคุณก็จับตัวเหตุได้ไอตัวนี้แหละตัวการอยากได้ได้จงกระตั้งละเมิดทุจริตตัวการคุณจัดการตัวนี้กําจัดซะกำราบเสียอย่าให้มันเกิดอีกถ้ากดข่มมันตอนที่มันปฏิบัติมันระสัมผัสคุณกดข่มมันไม่ให้มันทํามันก็ได้ชั่วคราวนี้ คุณก็ไม่เกิดปัญญาคุณก็มีไฟไม่ไฟมีไฟปัญญาหรือไฟฌานพลังของความฉลาดพลังของความเข้าใจพลังของความเห็นจริงในตัวปัญญามีฤทธิ์จนกระทั่งเอ้ยเราไม่ทำเราเกิดฮิริเกิดโอตปะเกิดพลังของความเจริญทงังไม่เอาแล้บาปไม่เอาล้ชั่วไม่เอาเร็วไม่เอาอีกเหตุการณ์อย่างนี้จําไว้เลยเข็ดหลับแล้วไม่เอาชั่วชั่วจริงๆไม่ไม่ดีอาการอย่างนี้มันของใครของมันปัจจิตตัง คุณสามารถที่จะจับอาการนี้ได้รู้อาการนี้ได้และปฏิบัติให้มันดับได้นี่แหละเป็นปรมัตย์พออธิบายไปขนาดนี้เขาพอเข้าใจคาว่ากายและเวทนาและจิตธรรมะก็แปลว่าส่งไว้ถ้าคุณไม่แก้ไขมันก็ทรงไว้อย่างเดิมถ้าแก้ไขมันได้ผลบ้างมันก็สุดท้ายจบมันก็ไปทรงไว้ธรรมะมันก็อยู่ที่จิตเราล้างกิเลสได้ออกเท่าไหร่มันก็ทรงไว้เท่านั้น ล้างได้ออกบ้างไม่ออกบ้างมันก็ทรงไวเท่านั้นมันไม่ออกเลยมันก็อยู่ทรงอยู่อย่างนั้นทำเอาอคุณก็เป็นอย่างนั้นไม่ใช่ไม่ออกเลยมันดันผ่ากิเลสโตกาวมันก็ทรงไว้ในจิตของคุณอย่างเก่านั่นแหละมันเป็นของจริงอ่ะคุณได้ทำยังไงเพราะกายเวทนาจิตทำนี่แต่คุณตัวสี่ตัวนี้คุณไม่สามารถที่จะทำได้จริงมันเป็นสมังคีธรรมหรือมันเป็นองครูมันเป็น The whole ะมันเป็น holistic มันเป็นตัวองค์รวมมันไม่ใช่การแยกกันไม่ว่ากายเวทนาหรือจิตหรือธรรมะมันเป็นองค์ประชุมหรือองค์ประกอบกันอะไรกันเนื่องกันต่อกันเป็นเหตุปัจจัยแก่กันอะไรกันและปฏิสัมพัทธ์กันอยู่ช่วยกันทุกเสมอเมื่อดีขึ้นธรรมะที่คุณล้างกิเลสได้ทรงไว้ซึ่งจิตเป็นฐานมันก็มาช่วยให้พิจารณาเรื่องช่วยการที่จะเกิดกายอื่นอีก ไปสัมผัสเรื่องอื่นสัมผัสเรื่องนันเรื่องนี้เมื่อนันเมื่อนี้คราวใหม่คราวใหม่อีกอ้าวจิตทรงไว้ถึงดีแล้วมาเจออีกขวดนี้โอยสวยกว่าเก่าเน้อสวยกว่าเก่าไม่เอาแล้วขนาดเก่ายังไม่เอาเลยนันไม่ใช่ขนาดเก่าไม่เอาขนาดสวยกว่าเก่าต้องเอาสิเนาะอ่อ่านิเคเละกว่าเก่ายังไม่เอาเลยอ่นิเคเละกว่าเก่าด้วยยังไม่เอาเลยสวยกว่าเก่าเออเอาไหมนี่สวยกว่าเก่าอ่าสวยกว่าเก่าเอาไหม มันจะมีน้ำหนักของธรรมะที่ส่งไว้ที่คุณทําได้มันก็มาเริ่มมาเป็นแกนมาเป็นอัปปนาพยา ป, ปนาเจตโสเพลราโรปนาในใหม่ขึ้นมันก็เกื้อเนื้อเกื้อกูลกั น, กนส่งเสริมกันอย่างเงี้ยแต่ถ้าเจริญของคนกิเลสเพิ่มเติมขึ้นอีกอย่าว่าแต่ไอ้นี่มันไม่สวยเท่าเก่าหรอกกิเลสเก่าก็เอาวะกิเลสมันหนามันกิเลสมันเพิ่มมากิเลสก็เอาหรือเช่นเงินก้อนนี่ห้า 0,000 นอ่าคราวนี้เราไม่เอาแล้วห 0,000 ื่คราวต่อไปนี่ มันแสนหนึ่งเฮ้ยเอาดีเอ้เว่ามันน่าเอานะแต่ถ้ามันต่ำกว่าห้าหมื่นก็ห้าหมื่นก่อนเรายังไม่เอานี่ว่าจะไม่เอาทําไมนี่แต่ถ้าทรงไว้ซึ่งจิตที่มันไม่ดีโอ้ยมันเป็นกิเลสต่อแม่แค่ห้าหมื่นเองคราวนี้เนี่ยโอ้ยไม่มากกว่า น, นี้กิเลสมันก็อยู่งั้นสรงไว้มาเจออีกครีงทราวนี้ไม่ถึงห้าหมื่นก็เอาแล้วแต่ถ้าเปิดว่าเกิน 50, ห้าหมื่นเฮ้ยเอา้าดีไม่นี่มันห้าหมื่นเราสู้ได้นะ หกหมืน่นเจ็ดมอเอามาเนี่ยเห็นไมกิเลสมันก็จะเนื่องกันอย่างเงี้ยมันก็เกิดจากฐานจิตที่มันจะทำงานสัมผัสสัมพันธ์กันแบบนี้ตล อ, อดไปกายเวทนาจิตธรรมก็มีนยยะที่มันเป็นบทบาทลีลาของมันเป็นกระบวนการเป็นกระบวนการแท้จริงนี่แหละคือถ้าคุณสามารถอ่านได้ใจถึงใจ มีสภาพองค์ประกอบของมณสิกการเป็นกระบวนการที่เนี่ยกระบวนการทั้งหมดเนี่ยของการพิจารณาท่านเรียกว่าสังกปะและสังกปะนี้มีเจ็ดองอันนี้แหละเรียกว่า process ed. process ed. ของหรือกระบวนการของการปฏิบัติธรรมเรียกว่ามณสิกโรติต้องทําตรงนี้หรือมณสิการให้โยนิโสให้ทองแท้ ละเอียดแยบคายให้เป็นลงไปถึงที่เกิดของมันเลยที่เกิดก็คือจิตกิเลสอยู่ที่จิตตรงจิตตรงไหนตรงนั้นเห็นด้วยสัมผัสได้อาการของคุณคุณรู้อาการของจิตของคุณเองสัมผัสแล้วคุณก็อ่านออกพิจารณาได้แน่ชัดเห็นในากายของคุณกายคือองค์ประชุมของกิเลสนี่ตัวตนของกิเลสสักสักในแปล ข, ของตน กิเลสขางตนจับได้และคุณก็ทำให้มันลดได้หรือตายได้เรียกว่าผ่านสังโยชผ่านศิลปตุปทานผ่านศิลปะตะปรามาศผ่านการแค่รู้แล้วสภาพแต่ยังไม่ผ่านศิลปตปรามาศก็คือรูปมันอยู่คลัา ม, มันอยู่แต่ต้องมันอยู่แต่ไม่ได้ทำให้มันจางคลาหรือไม่ได้ทำให้มันไม่ได้ชำระมันลงไปเลย แต่คุณยังไม่ผ่านสังโยชน์สคุณได้สัมผัสผ่านสังโยชน์หนึ่งสักกายะคุณจับมันได้และคุณมียานปัญญาผ่านสังโยชน์หนึ่งแล้ววิจิชาพ้นอีกชัดเจนตัวนี้และตัวไอ้โจรแน่นอนไอ้โจรชัดเจนเป็นนามธรรมาก็ตามรู้แล้วอาการอย่างนี้ลิงคะนิมิตชัดเจนทุกอย่างแต่คุณก็ยังไม่ปฏิบัติลด ล, ดละจางคลายได้เลยไม่ผ่านสังโยชข้อทีสามคุณก็ไม่ได้เป็นโสดาบันครบแต่โสดาบักแล้านะ คุณเข้ามรคไปทั้งสองข้อแล้วเป็นโลกุตระขนาดไหนถ้าจะพิจารณาทางกายากายเวทนาจิตธรรมคุณเข้าไปสู่สภาพสติปัฏฐานสีนี่แล้วกายองประชุมของตัวตนของกิเลสสักกายคุณได้แล้วพ้นวิจิกิจชาแล้วเวทนาคุณจับอารมณ์ได้แล้วชอบหรือไม่ชอบคุณรู้แล้วนะและจิตคุณก็ ชัดเจนแล้วว่าตัวกิเลส ต, ตัวการมันตัวไหนถึงจิตแล้วทรงไว้ซึ่งขนาดนี้แต่คุณทำให้อาการทรงไว้ของคุณจิตของคุณเนี่ยมันจางคลายลงได้บ้างไหมละ่ะถ้ากดข่มมันก็ได้ชั่วคราวลดลงเออมันลดลงมันไม่ทำงานมันไม่ทำการเนี่ยมันเจอแล้วเนี่ยวอาหอนี่ตั้งสองพันหอนี่ตั้งสองมืนไม่เอาเว้ยผ่านได้กดข่ม แต่ยังไม่มีปัญญารู้ว่าเฮ้ยไอ้นี่มันไม่ใช่ของเราไอ้จิตตัวเรานี่มันไปเท่ได้ยึดติดว่ามันจะต้องได้อย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้ต้องมีอย่างนี้ต้องเป็นของจริงถ้าได้แล้วนี่เราจะดีใจเราจะชื่นใจอย่าไปให้มันดีใจชื่นใจเลยเล่ยไปได้มาทำไมของไม่ใช่ของเราอยากได้ของเราก็ไปทำเอาเองดิโดยสุดจริตนิมันเอาของเขาทาไมมันเกิดปัญญาจริงๆมันหิีมันโอตปาไม่ใช่ของของเราใจมัน มันชนะไม่เอาเพราะไม่ใช่กฎคมมันรู้เลยว่าจิตเรานี่นะไอ้ที่มันยังหล่ะแหลกมันก็ไม่เที่ยงถ้าจิตมันแข็งแรงแล้วมันมั่นคงแล้วแล้วมันชัดเจนเลยว่ามันไม่ใช่ของเราไปเอามาทำไมไอความไม่เที่ยงของจิตแต่ก่อนนี้ยังหล่ะแหละแหลกไม่เที่ยงพอเห็นว่ามันแข็งแรงขึ้นนิเที่ยงขึ้นพอชัดเจนด้วยปัญญายิ่งมาว่า มันไม่ใช่ของเราไม่ต้องเอาเพราะเป็นบาปเป็นกิเลสให้กิเลสได้อาหารแล้วจิตของเราเป็นกิเลสได้อาหารเมื่อไหร่กิเลสเรามันจะหมดเราจะล้างกิเลสใช่ไหมถ้าไปอนุโลมมันอยู่เรื่อยๆกิเลสมันไม่ได้สิ้นใจมันไม่ได้ถูกให้มันลดจางคลายมันฟ all ลงไปบ้างเลยไม่เด็ดขาดเลยเมื่อไหร่คุณจะได้ละกิเลส ถ้าคุณเข้าใจได้ปัญญาด้วยแล้วกำลังของปัญญามันมีน้ำหนักเลยว่าไม่เอาคุณชนะจะมีน้ำหนักมากเท่าใดก็ตามจริงของใครของมันถ้าคุณทำได้ก็เด็ดเลยแข็งแรงก็เป็นทุนเป็นธรรมะความเห็นไม่เที่ยงที่ซ้อนอยู่ที่อนิจจังคุณก็ชนะคุณก็ผ่านจิตคุณก็จะเที่ยงแข็งแรงมั่นคงขึ้ น, นเรื่อย พรตก่อมันไม่เคยเที่ยงเลยจิตของคุณหล่อแหละจิตของคุณอ่อนแอจิตของคุณวันไวจิตของคุณบุบว้าปเวลานี้ได้ครั้งนี้ได้ครั้งหน้าหล่อแหละเวลานี้ได้เวลาหน้าได้แต่ต่อไปอีหล่อแหละได้ไปสามครั้งหล่อแหละได้ไปห้าครั้งเหล่อแหละกลับไปกลับมากลับไปกลับมาหรือไม่เหล่อแหละเลย ความเที่ยงกดเที่ยงขึ้นเที่ยงขึ้นเที่ยงขึ้นเที่ยงขึ้นเห็นนิจจังอาการของนิจจังที่ชัดเจนขึ้นไหมเพราะฉะนั้นเมื่อคุณทําอนิจจานุปัสสีได้วิราคานุปัสสีได้คุณผ่านการไม่ทําให้กิเลสมันอ้วนขึ้นทําให้กิเลสมันลดลงด้วยปัญญาไอ้ที่อธิบายในด้วยวิปัสสนาญาณทั้งนั้นไม่ใช่กดข่มไม่ใช่วิคคำพนปหานแต่ด้วยวิปัสสนาญาณ แต่ละครั้งแต่ละครั้งตัดตทะตัดทะนี่แปลว่าแต่ละครั้งแต่ละครั้งที่คุณปฏิบัติจริงมันก็มีความเจริญทางปัญญาแบบนี้จนแต่ละครั้งแต่ละครั้งก็ทวีขึ้นด้วยแข็งแรงขึ้นด้วยแข็งแรงขึ้นด้วยผ่านอนิจังผ่านวิราคาจางคลายลงเรื่อยๆดับได้ dead card, dead card, dead card. เด็ดขาดเด็ดขาดเด็ดขาดสมุทรเฉดตะพานเรื่อยเด็ดขาดเรื่อยเด็ดขาดเรยคุณก็ปัสจัธิคุณก็ มีความสงบระ ง, งับของจิตจิตก็ระ ง, งับได้ระ ง, งับได้คุณก็ทำซ้ำทำอีกเสวนาอาเซวานาภาวนาพระหุลีกำมังปฏิบัติอย่างนี้อีก เ, อเจอไอ้ เ, อเงินขนาดกองเท่าห้าพันี่อีกกี่ครั้งกี่ครั้งกี่ครั้งมันก็จะผ่านอยู่ตลอดเวลาเ<โ>ด็ดขาดปฏิปักสั ท, ที่ทำได้ร้อยครั้งพันครั้งหมือนครั้งเป็นเวทนารอยแป สร้างอดีตสะสมส่วนดีก็แข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงศูนย์ศศความบกพร่องความผิดพลาดคํามันแวบเดี๋วรู้มันพลาดไปครั้งนึงสองครั้งไม่มีหรือแข็งแรงขึ้นจนกระทั่งไม่มีไม่มีมีไม่มีแล้วคุณก็จะรู้ว่าไอ้ความไม่มีหรือความเด็ดขาดทีคุณทาได้ปฏิปฏิสัตย์ทาให้ความระงับหรือสงบหรือว่าหยุดได้ทวนทำปฏิจนกระทั่งคุณ เกิดส่วนอดีตส่วนอนาคตที่เป็นศูนย์ศทั้งส่วนอดีตทั้งส่วนอนาคตศนผ่านปัจจุบันทุกทีผ่านปัจจุบันทุกทีศูนยจนคุณพลังของความมั่นใจพลังของความจริงของทั้งเจโตทั้งปัญญาจิตก็เกิดมุทุภูตธาี่แข็งแรงจิตอ่อนดัดได้เร็วดัดได้ไวปัญญาก็รู้เร็วบรรญาก็รู้ไวและตัวจิตเนี่ยในตัวของมุทุธาติเนี่ย เป็นจิต ท, ที่คุณอยู่เหนือมีวสีมีอำนาจในจิตตัวเองมุทุภูตะสามารถที่จะแจงจัดการกับจิตของเราได้แข็งแรงได้ต้องการตามต้องการเร็วด้วยแข็งแรงด้วยเร็วไวด้วยเปลี่ยนได้ไวด้วยไม่ต้องเปลี่ยนจนกระทั่งสุดท้ายมันแข็งแรงไม่มันเป็นจิตสมาธิเต็มไม่ต้องเปลี่ยนเลยและมีปัญญารู้ไวรู้เร็วสุดท้ายเอนิสรณ ะ, ะ, ะหาน การประหารที่ไม่ต้องประหารอีกแล้วจิตของเราเป็นศรณระเป็นที่พึ่งหรือจิตนิศรณระนี่มีคำวันนิคํานึงศรนระคำศรนระแปลว่าทำสงครามประกอบไปด้วยสงครามแต่พูดที่ถึงซึ่งการไม่มีสงครามแล้วเป็นอารณะนะอารณะแปลว่าท่านไปแปลว่าไกลจากกิเลสก็ถูก ที่จริงก็คือมันไม่ไ ม, ไม่ต้องรบแล้วอะรัชนะประการรบรณะนะรอเรือนเนเเนี่ยไม่ต้องรบแล้วอรณะเป็นพวกไกลจากกิเลกก็คือกิเลมันดับแล้วแล้วก็มันก็ไม่ต้องรบตรงราอะไรแล้วก็กิเลสของตัวเองหมดสงคราม อ, อารณะด้วยจิตตัวนี้แหละเป็นที่พึ่งนี่ไม่ไม่ต้องทํำสงครามอีกแล้วจิตเป็นเป็นที่พึ่งแล้ว เพราะจิตสรระตัวนี้มันจิตเป็นอรณะแล้วประกอบไปด้วยการมารลุผลจบสมบูรณ์และนิสรณะนี่ขยายความทั้งพยัญชนะและอัตตสู่ฟังตามประสาที่อาตมามีสภาวะมีความเข้าใจมีความรู้ามาขยายความนะการรู้อย่างนี้อัตตกาวจราไม่ใช่เรื่องจะขาดคะแนด้วนดาวเอาได้ ยิ่งซับซอ้อนประเภทที่องอธิบายถึงขั้นนิสรณะเนี่ยเดาไม่ได้หรอกหรือขั้นอรณะสารณะก็ตามเดาไม่ได้นะเพราะผู้ที่มีที่พึ่งอันกเกษมสารณะก็คือผู้ที่จบสงครามมีอรณะแล้วไม่ลึกลับอระหาอาระอรหังเนี่ยนั่นก็แปลว่าผู้ไกลกิเล็อีกแหลอะอรหังัก็แปลว่าผูา้ไกลเกลเอ็ อ ร, รหะแปลว่าลึกลับนี่ถ้าไม่รู้ลึกลับแล้วท่ารู้แจ้งหมดแล้วความจริงที่ ป, ปัจจุบันมัดทุกอย่างท่านจบแล้วด้วยรู้สมบูรณ์รู้ไม่ต้องปฏิบัติอีกแล้วจบกิจแล้วด้วยอรหังอรหัตตามีอัตตาที่ไม่ลึกลับแล้วท่านก็อยู่กับอัตตาอย่างอาศัยมันอยู่เฉยๆถ้าไม่ได้ติดใจว่าเป็นเราเป็นของเราอะไรอย่างเป็นต้นนนี่ขยายความเนื้อ เ, อเข้าไปให้ฟัง อพอได้เข้าใจอะไรเพิ่มขึ้นมไหมวันเนี้ยคิดว่าพวเราเข้าใจใช้ภาษาไทยถ้าคุณไม่มีขาการต้านอะไรเขาอาตมาฟังได้ดีนะ ส, สุดสั้นเราเตปัญญ์นะคุณเข้าใจได้แน่นอนเลยแต่ถ้าคุณยังบอกอันนี้ไม่ใช่อันนี้ขัดตรงนั้นอันนี้ไม่เหมือนกับอาจารย์ที่เราอธิบายคนนี้อันนี้อย่างเงี้ยคุณก็อยู่ตรงนั้นไ ม, ไม่ทะลุหรอกพราะมาอย่างชาเต็มถ้วยไม่ยอม ให้พร่องเทงยังก็ไม่ค่อยเข้าเท่าไรเพราะงั้นในบุญการทำทานก็ดีการชำระ ก, กิเลสในการทำทานซึ่งอัตมามาก็าเคยอธิบายแล้วว่าคุณทำทานให้วัตถุจริงแต่ใ จ, ใจของคุณทำไม่เป็นมณสิ ก, การไม่เป็นทำใจในใจไม่เป็นให้กายให้วั จ, จีให้ของให้พฤติกรรมข้างนอกอาการให้ แต่ใจของคุณมันไม่มีพฤติของการให้มันเอาเอาเลยมันตั้งเลยนะจะเอาให้ทานตอนนี้เนี่ขอให้มีผลตอบแทนขอให้ได้เป็นบุญมันเป็นเรียอคําำว่าบุญเลยนะชาระออกในบุญแต่นี่จะเอาเข้าดันเอาเข้าตั้งใจเข้าตั้งใจเอาไม่ใช่ออกมันผิดแล้วอาการใจมันผิดแล้วอาการใจมันเอามันไม่ใช่ออก เอาขอให้ได้แสนดวยแล้วเป็นกรรมของใจเลยว่ามนโนกรรมแท้จริงคุณตั้งใจในมนโนกรรมโดยไม่ได้ระแวงเลยเอาจริงๆริงใจคุณตั้งจริงๆเคยตั้งมาทุกคนไม่เว้นแม้แต่พระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งก็เคยผ่านจิตอีงโง่แบบนี้เอาวิชาแบบนี้อัตมา ก, ก็ผ่านแต่เดี๋ยวนี้ไม่เอาแล้วรู้จิตตัวเองแล้วรู้ทิศทางแล้วว่อาไอ้อย่างนี้มันไม่ใช่โล ก, กุตระานี่มันมาให้ตัวกูไอ้อย่างนี้มันเอาออกจากตัวกูมันคนละเรื่องกัน รู้ชัดเจนแล้วอาการของจิตแล้วก็เร า, เ า, เราก็รู้เราก็ชัดเจนเราทานเราก็ไม่ต้องตั้งจิตว่าจะเอาคุณทำได้ไหมละ่ะแต่คุณยังมีโลภอยู่โลภเาคุณทำทำทานห้าพันเออได้คืนมาสักสพันก็ดีเนาะไม่เอาครบก็ได้หายสักสองพันเอาก็ยังดีนะคุณตั้งใจอย่างนั้นจริงๆมันเกิดกรรมอย่างนั้นจริงๆคุณก็ยังมีขี้เหนียวอยู่อีกส0 0พันขี้เหนียวอยู่ ให้เขาตอนนี้จริงๆคุณให้สองอะนะแต่คุณยังของคืออยู่สามมแต่ส่วนมากมันโลภอย่างนี้ที่ไหนละคนที่มันไม่รู้จักจิตไม่รู้จักการเป็นโลคุตระเป็นโลกิยะคุณทําใจไม่เป็นกูก็ไม่รู้ความตะการาก็บอกให้ 5, ให้าพันที่ขอสักล้านห้าล้านสิบล้านไม่มีลิมิตได้เธอเอาหมดจากการทําทานคราวนี้แหละอย่างนั้นเลยนะ นี่คือมันไม่รู้จีตไม่รู้ใจแล้วคุณใจของคุณทำยังไงในะขณะนั้นอาการตั้งใจยังไงตั้งหรือว่าให้ไปโดยจิตกลางๆลางเฉยๆคุณก็ไม่รู้จิตคุณกลางๆเางเฉยๆหรือไม่กดคมมันไว้ไม่ให้รู้จักจิตคุณก็ไม่รู้จิตแล้วจิตจริงคุณว่าเออให้อนนี้ปน่นี่มีอาการหววแขนมีอาการอยากได้คืนมีอาการอะไรอวอวรแหว เราก็มีเท่านี้ น, ะนาะเส้นได้เส้นได้มีไหมอ่ะ ย, ยังเส้นได้ให้ไปแล้วก็ยังโอ้โหเรายังไม่น่าให้เหลออยอะไรพวกนี้ยังอะไรตะลรอยู่แล้วแต่อ ะ, อะไรเอาวอลกันน้องกันแนงเป็นปฏิเทวนาการเป็นเรื่องที่ไม่รู้แล้วเรียกว่าเทวนาปาริเทวนาการคืออาการนองแนงนองติด ต, ต่อเยอะนะบางทีอาจเหมือนลืม แ่อมาอีล้วดึงกับคืนมาอีแล้วนึกถึงมันเนี่ย้ของกูของกูของกูองกเอมามาคืนกูมั่งมาคืนมันกูกูมันก็ดีเนาะอะไรแล้วแต่เฮ้ยมันจะมีหยาบมีแรงมีละเอียดแค่ไหนก็ตามจริงของใจคุณนะ่ยอย่างนี้เป็นต้นคุณได้ฝึกได้เรียนรู้ได้อ่านภาวะของจิตเจตสิกป์รูปนิพนานของจริงของอภิธรรมพวกนี้ปรมัตตธรรมพวกนี้จริงหรือไม่ถ้าคุณทําทานคุณก็ทําจิต ลดกิเลสได้จริงเลยว่าบุญที่สําเร็จด้วยการถานหรือการให้แท้จริงกายให้วจจีให้มะโนวะให้ทำอย่างนี้เปล่าแล้วคุณเจอไหมวัดไหนสอนให้ทําอย่างนี้ให้ทําใจเงี้ยมีแต่มาจะได้บุญใหญ่ยิ่งทํานี่ยิ่งได้บุญมากมาเธอทําที่นี่นะทำน้อยก็ได้มากนะที่นี่นะเพราะว่าท่านเกงท่านมีบุญเยอะท่านบารมีมาก ทำบุญน้อยเดียวก็ไดีรวยมากมาถ้าได้บุญใหญ่บุญนั้นยิ่งใหญ่ยิงย่งทำมากยิ่งได้มากได้มากๆากมาก ม, ม, ม, ม, มีแต่เอามากมาล่ออย่างเดียวได้ทั้งนั้นจะถูกหวยรวยการคดกองอะไรทั้งนั้นเอามาทั้งนั้นได้ขอให้ได้มาแล้วกันไม่อธิบายอะไรกันมากถ้าได้เป็นเอ า, เอาแต่ก็พออธิบายบ้างว่ามันทุจริตมันไม่ดีไม่งามนพูดบงังแต่ก็กล บ, กลบไปไม่ให้มันชัดไม่ให้มันเต็ม อะไรงี้เป็นต้นสรุปแล้วคุณต้องรู้การทําใจในใจถ้าอ่านใจไม่เป็นแล้วก็ไม่รู้อาการของใจว่าอในใจมันโลภหรือใจมันไม่โลภใจมันโกรธหรือไม่โกรธมันเครืองหรือมันตึงหิตตึงหิตใจหรือมันไม่ชอบใจนิดนิดหรือว่ามันชอบหรือมันไม่ชอบหรือมันอะไรคุณอ่านมันไม่ออกคุณแล้วก็คุณปฏิบัติกับใจจริงๆไม่ได้ทุกกรรมกิริยาทุกความเกี่ยวข้องกับคุณตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรส กายก็เกี่ยวข้องสัมผัสสัาพันธ์อะไรกับเรื่องทุกเรื่องทางนอกทั้งหมดใจคุณเกิดทั้งนั้นน่ยมันเกิดเฉยๆก็ได้มันไม่โลภมันไม่หลงมันไม่โกรธมันเฉยๆมันกลางๆก็ได้เป็นคราวๆแต่ส่วนมากมันไม่เฉยๆไรหรอกมันไม่มากก็น้อยมันไม่โกรธมันก็โลภอะไรเงี้ยนี่แค่นี้ธรรมะพุทธเจ้าไม่มากหรอกแต่มากมันไม่มากเรื่องอะ แต่มันมากสิ่งที่เราไปติดไปยึดอยู่ก็เรียนไปตามลําดับอันนี้ตัวนี้ชัดของเราเราก็เอาตัวนี้เรื่องนี้เราเอาให้ชัดแล้วก็ทําไปทำไ ป, ำ ไ, ปไปเรื่อยๆจนคุณเห็นวิราคะนิโรธนาจางคลายตามเห็นเมื่อไรก็สัมผัสก็ทําได้ทุกทีลดทุกทีดับทุกทีทุกปัจจุบันจงกระทั่งมั่นใจเลยว่าไม่ต้องทํานายเลยอนาคตเพราะอนาคตมันเคยมีมันมาถึงปัจจุบันเมื่อไรมันก็ เป็นของปัจจุบันทุกทีเสร็จแล้วก็ผ่านปัจจุบันก็ไปหาอาดีต ท, ทุกทีจนกระทั่งคุณมั่นใจว่าทุกปัจจุบันเนี่ยทำได้ตลอดเวลาแน่นอนดังมั่นใจอดีต ท, ทุกอดีตเป็นตัวแกนเป็นอัปปนาพยา ป, ปนาเจตโซพิณนโรปนาเพราะการสัมผัสทุกตัวอันอย่างนี้ของอย่างนี้มีแรงที่จะกระตุ้นกระทุ่งกระทุ้งกระเทือนเราอย่างนี้ไม่มีวันไว ไม่มีเข้าใจรอบเลยว่ายังไงก็ไม่กิเลสเกิดกิเลสไม่มีไม่มีฟูเมแต่น้อยเลยอะไรอย่งี้เป็นต้นคุณก็ต้องดูของจริงของคุณอ่านจริงของคุณโยนตั้งปฏิบัติป้ายรูปประชานรูปประชานผ่านวิโมกแปดจนครบวันนี้ตัวนี้สัญญาเวทีเจตนีโรธเพราะมันมีตัวกําหนดรู้คือสัญญากำหนดรู้ทุกปัจจุบันเลยผ่านในวัตสัญญานาสัญญายตนะสัญญา ขออภัย้องใช้ภาษาวิชาการของพระพุทธเจ้าตัวสุดท้ายเลยก็เป็นสัญญาเวทียตันิโรธนิโรธอย่างลืมตานิโรธอย่างลืมตาจักขุมมาปรินิพพโภติมีจักสุมีญาณมีปัญญามีวิชามีแสงสว่างไม่ใช่นิโรธหลับตาเพราะฉะนั้นจะปฏิบัติทานก็ดีบุญที่สำเร็จได้การให้ก็ดี ศีลปฏิบัติศีลหรือพรตต่างๆวิธีปฏิบัติต่างๆก็ดีหรือยันยปิธีจะเรียกยันยปิธีพิธีปฏิบัติคนจะพิธีปฏิบัติตาโบราณการม่นโอ้โหจะทําพิธีอย่างไหนก็แล้วแต่แต่ทําพิธีแบบเอาสัตว์ไปฆ่าแล้วเอาไปเผาถวายไปต้มไปยําถวายเออไปทำร้ายสัตว์อย่างนั้นศาสนาพูดไม่ส่งเสริมไม่เอาเลยเพราะเจ้าอย่างงั้นไม่เอาเจ้ายัางป า, ปากเลือดกินเนื้อสัตว์อยู่นี่นไม่เอา มันสีกุยมไม่ใช่เซียนนะเซียนเขาไม่กินหรอกเซียนเขากินแต่พืชผักผลไม้สีกุยนี่ล่อเป็ดล่อไกล่ล่อช้างล่อหมาอยู่เลยกินปากเลือดไม่เอา้าข้อพายใช้ภาษาต่างประเทศภาษาจีนสีกุยมันผีสีกุยภาษาจีนเป็นผีชั้นต่ําเป็นผียังกินเนื้อสัตว์อยู่ถ้าเซียนเขาไม่กินหรอก เลิกกินน้ำสัลเซียนเพราะงั้นเราจะทําบุญหรือจะพิธีการจะไหว้เจ้าจะถวายเจ้าอะไรก็แล้วแต่ก็เราก็ต้องทหาทางที่จะต้องไม่ให้มันละเมิดบาปะละมึดหรือว่าไม้แต่ว่าคบหากับเจ้าอยู่กับเจ้าสีกุยเท่านั้นเองโอ้โหไปทํากงเต๊กหรือว่าไปทำอะไรทำ อะไรนะงานไองานที่เขาทําบุตรไม่ใช่งานไม่ใช่งานสมงานที่โถไอไห้เจ้าอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เชงแมงเชงแมงเนี่ยมันรวมญาติไองานจุดจีนก็กองแท็กหรือเปล่าฮะอะาศาสตร์จีนกุฎจีนอะไรกันว่าเจ้ากันอยู่นน่แน่อาไหว้เจ้าก็ไหว้เจ้ า, จ า, จามันเป็น คบหาเจ้ามันดีที่จริงยังจริงๆริงคุณก็ต้องรู้ก่อนแล้วว่าคุณจะคบเจ้าไม่กินเนื้อสัตว์ก็เพราะคุณก็ต้องรู้ข่าวผู้ที่ไม่กินเนื้อสัตว์เป็นที่บูชาเจ้าคือคนที่เคารพ บ, บูชาคุณก็ต้องเคารพเออเจ้าที่เราเคารพคือเจ้าที่ไม่กินเนื้อสัตว์เราก็ถึงจะบูชาเราก็ยังไปบูชาเคารพเจ้าที่ล่อเนื้อสัตว์อยู่เอาเนื้อสัตว์ไปให้กันกินอยู่ตลอดเวลานั่นแหละแล้วลคุณจะไปขาดจากการเกี่ยวเนื่องกระสับได้ที่ไหน รู้ว่าสัตว์ตัวนี้ยังมีชีวิตแล้วก็ไปเอาสัตว์ตัวนี้มาบอกไปเอาสัตว์ตัวนี้มาเขาก็ไปผูกคอมาสัตว์ตัวนี้ก็ทุกข์ทรมานทุกข์ทรมานก็ไม่ฟังเสียงบอกให้ฆ่ า, าคนก็ฆ่าตามที่สัง่ง สัตว์ก็ตายตามคำสั่งปานาธิบาก็ครบองค์ครบองค์เลยพระพุทธเจ้าท่านตรัสไม่ไม่แค่นั้นท่านตรัสถึงขั้นว่าแม้สัตว์ที่คุณเขาเอามาถวายคุณรู้เห็นหล่ะล่ะเลยเขาฆ่าอยากินนี่คือบริสุทธิ์โดยส่วนสามสองไม่ได้ข่าวไม่ได้เห็นหลัดหลัดหร เราขไปไม่ใช่เห็นไม่ได้ข่าวไม่ได้เห็นหลัดหรอกแต่ได้ข่าวได้ข่าวว่าข่ามาเช่นในหมูหมากาไก่ที่เอามาขึ้นเคียงขายตลาดต่างๆนานาพวกเนี้ยเฮ้ยมันสัตว์ข้ามาสัตว์จับเป็นๆมาสัตว์อะไรมามันสัตว์ไม่ได้ตายเองสัตว์ไม่ได้เป็นเดนสัตว์กินอะไรเลยสัตว์มันไปล่ามันมาทั้งนั้นแหะเลี้ยงมันมาด้วยแล้วบอกว่าข่าเอกโทษคนอะไรวะ เลี้ยงมันมาแท้ๆแล้วก็มาแล้วก็มาฆ่ามันก็เลี้ยงมันไปฆ่าได้ยังไงอันเลี้ยงอ่ะให้มันตายใจเลี้ยงมันก็โอ้โหถ้ามันรู้นะมันรู้ว่าจะเลี้ยงไวเพื่อฆ่ามันก็กลั้นใจตายก่อนที่จะให้ถูกเลี้ยงแล้วทำไมเรื่องอะไรเลี้ยงให้เองเอาไปฆ่าบ้าเรอมันไม่รู้เชอะแล้วก็หลอกมันเลี้ยงมันเลี้ยงนะอ้วนดีๆนะลูกนะแล้วพอจะได้เอาไปขาย อจะราไปฆ่าอมาหิดแม่มนุษย์นี่อธิบายซับซ้อนมันละเอียดขึ้นไปให้ฟังสรุปแล้วแม่ว่าไม่ได้เห็นการลัดลัดค่าตาได้ข่าวว่าเนี่ยสัตว์นี่เขามันไม่ได้ตายเองไม่ได้เป็นเดนสัตว์กินหรอกมันของคนต้องไปฆ่ามันมาฆ่าด้วยคนในชีวะกะเนี่ยฆ่าด้วยคน มันตายได้คนฆ่าไม่ใช่สัตว์ถ้าสัตว์ฆ่าเราไปดูว่ามันไม่ได้เราวิบากข้องมันจะกินกันเสือมันกินเสือมันฆ่าเกงก็กินกินแล้วเหลือเป็นเดนเดนมันเออแล้วไปเถอะเราจะไปแย่งตอนนี้มันยังไม่เป็นเดนอ่ะมันทิ้งแล้วไปไกลแล้วแล้วเราก็กินไปเก็บมากินเพราะเนื้อประวัติธารมศาต์กินได้อยู่สองอย่างหนึ่งมันตายเองมันตายเองกับสองเดนสัตว์กิน นี่ป่าวะน้ำมงสะนอกนั้นอุทิศสมังศะทั้งนั้นนอกนั้นคือเนื้อสัตว์ที่อุทิศแปลว่ามุ่งหมายเจตนามีเจตนาอะไรคนเจตนาฆ่าคนต้องการฆ่าเพราะฉะนั้นถูกฆ่าสัตว์ถูกฆ่าโดยคนที่มีเจตนาฆ่ามันและคุณจะไปเอาว่า ไอสัตว์ตัวนี้ตายเพราะคนมันไปเผล อ, อยังไงไม่รู้ไปทําให้สัตว์ตายโดยไม่ได้เจตนาหรอกคุณจะไปหาตรงไหนจะไปรอเอาสัตว์ที่ไม่ได้เจตนาฆ่าตรงไหนตัวไหนถึงจะได้กินเนื้อสัตว์ตัวที่คนไม่ได้ฆ่าโดยเจตนาแล้วคนไหนจะบอกคุณว่าเขาไม่เจตนาแล้วเขาจะบอกถูกไหมนะโอ้สัตว์ตัวนี้มันตายโดยไม่เจตนาแล้วเมื่อไรมันจะไม่เจตนาตายหรือตัว สัตว์ตัวนี้มันตายรอไม่เจตนาแล้วมันถึงตายแล้วเมื่ อ, อไรจะได้กินวะ <c oughs> นี่ก็อธิบายให้มันละเอียดในฟังสรุปแล้วเนี่นะพระพุทธเจ้าท่านอธิบายไว้หมดเลยว่าสัตว์นี่มันตายด้วยองค์องค์งห้าของการตายในเนื้อสัตว์เนี่ยหนึ่งสัตว์มันมีชีวิตสองรู้อยู่ว่ามีมชีวิตสามไปจับมันมา สีบอกฆ่าห้าสำเร็จด้วยการฆ่านี่ก็คือองค์บาณาธิบาทครบแล้วโดยคนแท้แท้หรืออีกองคหนึ่งอะไรนะอีห้าอีห้าอีกองหนึ่งเนี่ยบาณาธิบาทเอามาถวายพระพุทธเจ้าครับในพระไตรปิฎกทำให้สาวกยินดีพอใจในเนื้อเนี่ยอีก6อีกองคหกถือว่าเป็นบาปไม่ได้บุญเป็นอันมาก มันละเอียดอีกอันหนึ่งองค์หอันนี้ใครจําได้มั้งอ่างหกองค์นี้ที่ลงท้ายเดี๋ยว่ามืถวายสาบบพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธเจ้าเดี๋ยวผมช่วยหาให้คอีกอง์อีกห้าอีกอันหนึ่งคนละบทนะที่คนละบทนะที่ไม่ไม่อนัทานมาทานทานแต่ว่าเอาเนื้อสัตว์มาทานเอาเนื้อสัตว์มาทาน แล้วก็ให้ยินดีด้วยเนื้อสัตว์นั้นเอาเนื้อสัตว์มาทานแล้วให้ยินดีในเนื้อสัตว์นั้นครับนะอีกอันหนึ่งนิคณาทําทานด้วยเนื้อสัตว์นะแล้วก็ให้ยินดีในเนื้อสัตว์นั้นเป็นบาปบาปเป็นอันมากไม่ใช่บุญเลยพระเจ้าก็ตรัสว่าบาเ ป, ปนะะ็นว่าให้ทานนะให้เอาอาหารเนื้อสัตว์มาทานนะนี่ก็อีกองค์ห้าเพราะละเอียดหมดทุกอย่างแล้วมันไม่มีทางจะกินเนื้อสัตว์ได้หรอกถวายเนื้อสัตว์ไม่ได้ เพราะมันเกี pass, you um ่ยวข้องกับการฆ่าสัตว์นี่พูดี่้มันละเอียดลงไปเลยเพราะบุญในการรักษาศีลข้อหนึ่งฆ่าสัตว์การฆ่าสัตว์ละเกี่ยวเนื่องด้วยการฆ่าสัตว์ละเอียดที่คําว่าบุญก็เรียกคือการชําระกิเลศเนี่ยแล้วตัดวงจรที่มันไปเกี่ยวข้องว่าเราไปเกี่ยวข้องกับสัตว์ตัวนั้นอย่างไรแค่นั้นละเอียดไปคุณไม่ได้ฆ่าคุณไม่ได้อะไรเองเลยแต่มันก็เนื่องเกี่ยวมาว่าสัตว์ตัวนี้มัน ตายเพราะฝีมือคนแม้แต่ที่สุดคุณเอาเนื้อสัตว์นี่มาถวายอามย่างมาถวายพระแล้วเพื่อที่จะให้เจตนางคุณนะให้ได้พระนี่กินแล้วก็จะยินดีในเนื้อสัตว์ติดในเนื้อสัตว์เท่านั้นแหละคุณเป็นเหตุแล้วบาปเป็นอันมากไม่ใช่บุญเลยแค่มาถวายแล้วก็พระก็ติดเนื้อสัตว์นี่เพราะเหตุคุณเอาเนื้อสัตว์มาถวาย ดีไม่ดีต้องการโอ้โหเนื้อชั้นดีเนื้อดีดีปรุงมาดีดีอยากให้ท่านติดท่านติดเขาให้บาปแล้วบาปเป็นอันมากไม่ใช่บุญเลยละเอียดไหมละเอียดละออมไหมนะเพราะงั้นในการที่ดอกว่าบุญที่สาเร็จได้การรักษาสีนี่สีข้อหนึ่งนะข้อหนึ่งเท่านั้นนะนะ ถ้าอ่านใจไม่เป็นแล้วที่พุทธเจ้าสอนไว้ทุกระดับว่าหนึ่งเห็นดั่งหลดว่ดาเขาฆ่าจะกินสองไม่เห็นหรอกได้ข่าวมันไม่ไม่ใช่ประวัติตรรมสระอ่าสามไม่ได้ข่าวว่าเขาฆ่ามาตสัตเนี่ยสงสัยมันจะเป็นประวัะะะะติธรรมสระจริงหรื อ, อ ค, รครับผมเจอตามที่พ่อครูถามมาเมื่อสักครู่นี้อาอา น, นะครับอ่านเลยห้าขอ้อ จากพระไตรปิฎกเล่มที่13ชีวกรสูตรข้อหกสิบบอกแล้วว่าจําได้อยู่ชีวกรสูตรเหมือนกันครับผมผู้ใดฆ่าสัตว์เจาะจงตถาคตหรือสาวกตถาคตผู้นั้นย่อมประสบทินเราปแปลว่าเจาะจงครับผู้นั้นย่อมประสบบาปมิใช่บุญเป็นอันมากด้วยเหตุ5ประการคือหนึ่งผู้นั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายจงไปนําสัตว์ชื่อโน้น <ไป S 1> มาไปเอาไอ้ไก่ตัวไอ้โตงไอ้โตงเอาไอ้ไอ้โตงมาดิ ครับผมอธิบายให้ชัดครับพูด<ร>ดังนี้นบอกเออแม่อีนูไปเอาอโต้งมาโอ้โหเจอเพื่อนไม่เพื่อนมาต้องค่าไข่เลี้ยงหน่อยครับอผู้นั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายจงไปนําสัตว์ชื่อโน้นมาพูดดังนี้ชื่อว่าย่อมประสบบาส<า>มิใช่บุญเป็นอันมากมีบาวแล้วแต่แต่ข้อที่หนึ่งก็ที่สอง สัตว์นั้นเมื่อถูกเขาผูกคอนํามาได้รับความทุกข์ได้รับทุกเสียใจมันต้องผูกคอผูกขาก็ได้ครับมมันต้องผูกเลยจับมาดิ่ดิ้นมาเลยประปรัก็ได้ครั บ, รบทําดังนี้ชื่อว่าย่อมประสบบาปไมิใช่บุญเป็นนันมากจับมันมากันแล้วกันได้ไม่ต้องหลุดมือไปกันแล้วกันสามผู้นั้นพูดอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายจงไปฆ่าสัตว์นี้ฆ่ามันเลยฆ่ามันเลยพูดดังนี้ย่อมชื่อว่าประสบบาปไมิใช่บุญเป็นนันมากขันที่สามแล้วแต่ข้อที่สี่ สัตว์นั้นเมื่อกําลังถูกฆ่าจะย่อมได้รับทุกเสียใจดังนี้ชื่อว่าย่อมประสบบาปมิใช่บุญเป็นนนมากดีมันดีพยาบาทด้วยแถมให้อีกครับผมมันพยาบาทจะไม่รู้มันเลยแล้วมันจะพยาบาทไม่คุณว่าครับผมไปฆ่าชีวิตมัน่ะข้อที่หผู้นั้นย่อมยังตถาคตและสาวกตถาคตให้ยินดีด้วยเนื้อสัตว์อันเป็นอกปิยะของต้องห้ามไม่สมควรแก่ภิกษุจะบริโพคทาดังนี้ชื่อว่าย่อมประสบบาปมิใช่บุญเป็นนันมาก เห็นไหมล่ะนึกว่าไปถวายเนื้อสัตว์ใ ห, ห้ให้ยินดีในเนื้อสัตว์เนี่ยเพราะงั้นมันจึงละเอียดลึกซึ้งมั่งมากจนกระทั่งถ้าคุณเข้าใจเจตนารมณพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าท่านไม่บังคับแล้วก็ไม่ทำอะไรที่มันมันมันด้ามันแข็งมันทื่ออนุโลมอย่างขนาดหนักเลย เพราะฉะนั้นทางอธิบายเป็นลาดับลำดับลำดั บ, ด บ, ดบมาให้เห็นนะฮชัดเจนถ่าผูดด้ใดเข้าใจแล้วก็โอ้จะไปกินทำไมเนื้อสัตว์ก็แค่แต่บอกว่าไอ้เนื้อสัตว์ที่ท่านให้กินได้มีอยู่สองตอนนั้นแหละคือเนื้อที่เป็นเดนสัตว์กินกับมันตายเองเอา้าวถ้าเผื่อว่าท่านไม่พยายามที่จะอนุโลมถ้าจะพูดทำไมว่ากินไปเถอะใช่ไใครฆ่ามาก็ช่างเถอะ กินไปเถอจะไม่ต้องมาบรญญัติว่าถึอขนาดว่าโอ้โหเนื้อเรียนสัตว์กินกันเนื้อที่มันตายเองนี่นะซึ่งมันไม่มีอะไรแล้วมันตายเองเนี่ยมันก็ไม่มีวิบากอะไรกันและกันแล้วมันทิ้งร่างมันแล้วหรือไอสัตว์ในในฉานมันฆ่ากันเองแล้วจะไปเอานิยายอะไรกับสัตว์มันเล่ามันจะฆ่ามันก็เรื่องของมันเช่นมันฆ่าโดยไม่ไม่เจตนากินหรอกเป็นต้น มันไม่เจตนาจะฆ่าเพราะกินแต่มันฆ่าตัวนี้ตายแล้วมันก็ทิ้งถือว่าเป็นเดนเหมือนกันอก็วิบากของมันมันมาฆ่ากันน่ะใช่ไหมแล้วเราจะไปเกี่ยวอะไรกับวิบากของมันะมันก็จัดการของมันเองเราไปห้ามวิบากเราไปกั้นวิบากขันมันมันได้มันก็ฆ่ากันเองตามวิบากแล้วมันก็ไม่ได้กินมันก็ทิ้งไว้อ้าวคนมาเจอเข้า ก็ดูให้แน่ใจนะว่าเนี่ยมันไม่ไ ม, ไมัมีอะไรมาเป็นเจ้าของอี่แล้วนะอย่าไปแย่งใครเข้าคุณก็เอาไปกินได้หนึ่งมันตายเองสองมันเด่นสัตว์กินยิ่งจะเสือจะสัตว์อะไรก็แล้วแต่ที่มันไปฆ่าต้องกินเป็นอาหารของมันเสร็จแล้วมันกินเหลือมันทิ้งไปคุณก็ไปเอามากินได้เพราะคุณไม่ได้เกี่ยวเนื่องอะไรกับมันตายเพราะสัตว์ตัวนี้ร่างกายนั้นมันทิ้งไปแล้วมันไม่ได้เกี่ยวข้องแล้ว มันหลุดออกประช า, ายมันแล้วมันหมดขาดกันไปแล้วไม่มีความรู้สึกพยาบาทเกี่ยวข้องเพราะมันหลุดไปแล้วมันก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่เกิดไ ม, ไม่ไม่เกิดเชื้อของจิตที่จะต้องมาเนื่องกันด้วยวิธีของพยาบาทหรือวิธีรักรักหรือพยาบาทไม่มีแต่ว่าไปกินเนื้อเขาไปฆ่าเขากินเนื้อแล้วเขาเกิดใจรักเรามีไหมสัตว์ตัวไหนไปฆ่ามาันแล้วบอกโอ๊ยรักทัานจริงท่านฆ่าฉันไปกิน ท, ท่านอยากให้ท่านกินตั้งนานแล้วอะพูดเนี่ยมันละเอียดนะนะเพราะว่าอาตมาว่ามันไม่มีประตูไหนเลยสามข้อที่บอกว่าบริสุทธิ์โดยส่วนสามเนี่ยรู้เห็นชัดๆไม่เอาแม้แต่ได้ข่าวแม้แต่สงสัยลังเลว่าเป็นปวัตตมังสะหรือไม่หรือมันยังเป็นอุทิตตะมังสะอุทิตนี่แปลว่ามีคนเจตนาฆ่าโดยโดยคนหรือ สันจิตจะมีสองคำสันจิตจะปานังชีวิตาโวโรเปตุงนี่เป็นศัพ์ชัดอยู่ในชีวกระสุนนี่เลยทำไมใช้คําอุทิศแต่จะใช้คำว่าสันจิตจะแปลว่าเหมือนกันเปลี่ยนวัจเจตนาแปลว่าเจาะจงาปานาคือชีวิตาปานาอุทิศปานาชีวิตชีวิตาวตาโวโรเปตุงโวโรเปตุงแปลว่าการฆ่าฆ่าสัตว์ ทำลายสัตว์ปานาที่มันมีชีวิตชีวิตสัตว์ที่มันมีชีวิตเนี่ยสัตว์ที่ถูกฆ่าด้วยสันจิจะด้วยอุทิศด้วยการตั้งใจเจาะจองฆ่ามันเนี่ยถ้าอย่างนี้แล้วก็เป็นบาปถ้าสัตว์ที่มันตายด้วยการเจาะจองฆ่ามันนี่เป็นบาปอย่าไปเนื่องเกี่ยวกับวงจรของสัตว์ที่มันตายมาด้วยบาปถ้าสัตว์ที่มันไม่ตายด้วยบาปก็ถือว่าสัตว์ที่มันตายเอง กับเดนสัตว์กินชัดเจนไหมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่สุดทางในคำสอนนี่ยังมียังดีนะในพระตรรปิฎดกดยังมีเนื้อความพวกนี้อยู่เัพอัตมายิบอธิบายได้แม้แต่ว่าไอ้บาปเป็นอันมากไม่มีบุญเลยหประการนี่ก็ตามหรือว่าในชีวั ก, กสูรวันบริสุนโดยสุนสาก็ตามแล้วเขาก็ไป อ, อธิบายกลับกันว่าถ้าเผื่อว่าเอาน่าจะอธิบายตรงนี้ฟังอีกที สัตว์ใดที่เจตนาฆ่าแล้วเนี่ยกินระบาดที่อาตมายกตัวอย่างเมื่อกี้แม่อินูแม่เพื่อนไมด้เจอิกันมาสิบปีห้าปีโอ้โหวันนี้ต้องฉลองกันหน่อยไอ้โต้งดีรักมันนะมันไม่มีมันเหลือไอ้โต้งไปเอาไอ้โตงไปลากคอมันมาฆ่าทําแกงเลยเอา้ามาต้มขาอย่างดีมาให้เลี้ยงกันให้สับปีมน้ำำําทําลากระเกินก็ไปฆ่ามันมา เสร็จแล้วเพื่อนตรงนี้ถือศีลเฮ้ยกูกินไม่ได้นี่วะไอ้เพื่อนมันไปเอาข้ามันไปเอาสัตว์ตัวนี้ข้ามาเนี่มันแบบบอกบอกข้ามานี่ข้ามไาไหนข่ามาเพื่อเพื่อนเพื่อนมาจะเลี้ยงเพื่อนน่ะคนนี้ถูระบุเจาะจงบอกว่าข่าสัตว์นี้เพื่อระบุเจาะจงเพื่อไอ้เพื่อนคนเนี้เพื่อนคนนี้จะต้องกินน่ะเฮอกินไม่ได้เองข้าข้ากินไม่ได้หรอก และไอการเจาะจงนี่เป็นบุญหรือเป็นบาปกันแน่ก็ไอคนที่จะฆ่ากินนี่มันใจมันเป็นกุศลนะใจมันจะเลี้ยงเพื่อนนะใช่ไหมมันอุตส่าห์มันมีตัวไอ้โต้งนี่เลี้ยงตัวเดียวอ่ะมันไม่มีไก่มันไม่มีอาหารอื่นแล้วมันเอาเอาไอ้โต้งนี่มันเลี้ยงเพื่อนเลยอุตส่าห์เสียสละอย่างเต็มที่แล้วนะมันเป็นใจมันเป็นกุศลนะใจมันเป็นการเผื่อแผ่เพื่อกูลก็มกอเพื่อนนะ แล้วพุทธเจ้าไปห้ามอย่างงี้มันคืออะไรก็ห้ามกุศลนดีดิเขาทำกุศลใช่ไหมทีม่มันมันขย้อนแยงเนี่ยสภาพมุนรอบเชิงซ้อนมันลึกเพราะฉะนั้นท่านจะไปกราว่าถ้าเผื่อว่าสัตว์ใดที่เขาระบุให้เราเรากินไม่ได้ท่านจะไประบุทำไมก็ในเมื่อจะฆ่านะ่ะมันกุศลนะ่ะ เจตนาให้เพื่อนได้สิ่งนี้มันก็เป็นเรื่องดีแต่เพราะเรื่องไม่ดีตั้งหากท่านถึงห้ามว่าไม่ให้ทําไม่ทําตรงไหนอยากกินนะแม่เขาจะฆ่าก็ไม่กินไม่ต้องฉลองไปที่ไหนๆเขาจะมาฆ่าสัตว์มาเลี้ยงเราอีกนี่ไม่เอาทั้งนั้นคุณก็เป็นตัวที่ไม่ทําให้เกิดการฆ่าขึ้นมาในโลกใช่ไหม เพราะว่าใครจะมาเจตนามาฆ่าสาัตว์เพื่อเราไม่เอาจะได้ทางตรงทางอ้อมนี่ไหนไม่เอาทั้งนั้นน่ะเข้าใจชัดขึ้นไหมเพราะมันเกี่ยวเนื่องกันน่ะฉันไม่ได้ทําเองแต่คุณเจตนาเพื่อฉันน่ะมันบาปด้วยกันนะจ๊ะมันไม่ขาดนะเข้าใจไหมละเอียดไหมอ่า <c oughs> คืออิอัตมาอธิบายจนไม่รู้จะอธิบายแล้วไม่รู้อธิบายมาไม่รู้กี่เที่ยวกี่เทีเย่ยวแล้วแ ต, แ ต, แต่แต่สมัยพูดถึงรณรงค์เรื่องกินเนื้อสัตว์มังสวิรัตกันมานี่สี่สิกว่าปีจนกระทั่งตอนหลังนี่มัพูดแล้วอัตมาปล่อยให้พวกเราอธิบายแต่มันก็ไม่ง่ายอัตมาก็ต้องอธิบายเพิ่มเติมขึ้นอีกให้มันลึกขึ้นอีกให้มันชัดขึ้นอีกแล้วพวกเรามีพื้นฐานมีฐานทางปัญญาสูงขึ้นอีกก็เลยฟังเข้าใจดี แต่ผู아아 animals, ้ที it s, it s ่เ <cái> ข้าใจยังไม่ได้นะเขาังติดยึดนี่นมันมันเบลอมันจะฟังไม่ได้หมันยากมากกว่ามันก็ต้องแย่งแยงแยงมันจะยังไงกินกินอยู่อ่ะมัเชื่อกินอธิบายไปยังไงมันก็จะไม่เข้าใจหรือมันก็จะไม่ถึงถึงขั้นว่าแม้จะเข้าใจแล้วอย่างชัดแต่กิเลสมันบอกเลยมันยังชอบอยู่ยังชอบอยู่รู้แล้วล่ะเถียงไม่ได้แล้วล่ะแต่ยังชอบอยู่เขาก็กิน เพราะคุณยังชอบอยู่ใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะงั้นในรายละเอียดพวกนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการรู้ปัญญายาณความเฉลียวฉลาดที่แท้จริงนะเมื่อคุณทําใจในใจรักษาศีลไม่ฆ่าสัตว์แล้วจะไม่กินเนื้อสัตว์อย่างที่อาตมากล่าวนี่คุณทําใจของคุณได้แค่ไหนถ้าคุณทําใจไม่ให้เป็นเชือ้อไม่ให้เป็นเยื่อที่จะไปต่อเนื่องเป็นบาปเป็นเชื้อ เกี่ยวข้องกันกระบาบกระบุญก็เรื่องที่จะต้องเป็นความนัวเนี่ยกันไปอีกที่ชาติก็ไม่รู้อะคุณตัดขาดได้คุณก็ตัดวงจรนี้เอาไม่ในเรื่องเกี่ยวกับสัตว์อย่าไปให้มันต่อกันอีกตัดขาดกันได้คุณก็ตัดเพราะจะมาอ้างว่าเพิ่มกินก็ถ้าเผื่อว่าเราไม่สามารถจะอยู่ได้เพราะกินแต่พืชตายต้องกินเนื้อสัตว์ไม่กินเนื้อสัตว์นี่ตาย ก็กินไปเถอะแต่เราได้พิสูจน์แล้วว่าไม่กินเนื้อสัตว์นี่เลยยิ่งอายุยืน <attitudes> อ่าดีกว่าด <ambling> no ้วยไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยเขาพิจารณาเขาบอกแล้วว่าสัตว์ตัวหนึ่งหรือว่าสัตว์ที่จะเลี้ยงแล้วนี่จะต้องใช้พื้นที่ยาหรือพืชเท่าไหร่ให้มันกินเท่าไหร่เขาคำนวณมาหมดแล้วว่าสัตว์ตัวหนึ่งจะได้เนื้อมกิโลนึ่จะได้แคลอรี่ตัวนี้จะได้วิตามินทัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ต้องใช้ มากกับกันถึงเก้าต่อเท่าที่อาตมาจําได้ต้องมาทั้งลงทุนแรงงานและต้องมาทําเพื่อที่จะได้เอวิตามินในนี้เท่านี้จากเนื้อสัตว์กับพืชมันต้องเสียเวลาเสียตุรดแพง ก, กันไปถึงเก้าต่ อ, อท่าน เ, าเพื่อจะได้กินเนื้อสัตว์แล้วก็จะได้วิตามินเท่ากันกับพืชเพราะครูครับพอดีนักบวชเซนที่ผมไปเกาหลีใต้มาเนี่ยท่านฉันมังสวิรัตท่านบอกว่า กว่าที่จะได้เนื้อมา1กิโลกรัมเนี่ยเราต้องใช้พืชพันธุ์ัญอาหารไปถึง10กิโลกรัมประมาณนัน่นแหละก็คำนวณมาหมดแล้ว เ, เพราะฉะนั้นการที่ไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยไม่ใช่เหตุผลเพียงแค่เรื่องสุขภาพไม่ใช่เป็นเหตุผลเพียงแค่เรื่องจิตวิญญาณเท่านั้นด้วยแต่ยังเป็นเหตุผลเรื่องความมั่นคงทั้งอาหารท่านใช้คำพูดแบบนั้นเป็นเหตุผลเรื่องความมั่นคงทางอาหารของโลกถึงขนาด น, นั้นเลยทีเดียว ก็เราพิสูจน์แล้วว่าการไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยมันดีทางโภชนาการด้วยทางเศรษฐกิจด้วยถูกกว่ากันจริงๆยังไงยังไงผักพืชมันก็ไม่แพงกว่าเนื้อสัตว์เป็นเด็ดขาดแม้แต่การผลิตแม้แต่การที่มันอะไรที่เด็เขาขยายเขาตรวสอบมาหมดแล้วง่ายด้วยจะจับสัตว์มากินทีหนึงก็วิ่งไล่มันแทบตายถ้าเป็นแต่จะกินพืชทีนึ่งก็เป็นเด็ดยอดนมาเลยเด็ดไปเด็ดผลมันมาเลย มันวิ่งไปไหนไม่ได้หรอกพืชน่ะแต่เนื้อสัตว์ก็จะจับมันได้ดีไม่ดีมันกัดเอาด้วยพืชไม่ให้มันกัดเราเลยโหลพูดไปเปืเอ้อนเลอะเทอะเหม็นคาวเน่าเหม็นมีแบคทีเรียาสารพัดแหละเนื้อสัตว์น่ะกับพืชน่ะมันดีกันต้องไ่รู้เท่าไหร่เท่าไหร่โอ้นี่ก็พูดละเลียดกลับมาพูดแล้วเลียดเรื่องพวกนี้อีกนะก็สรุปละ เราพูดเรื่องบุญเรื่องบาปเท่านั้นไปกันไกลเพราะบุญด้วยการรักษาศีลเนี่ยก็ต้องทําใจในนี่พูดเป็นเชิงปัญญาเมื่อรู้ด้วยปัญญา จ, จริงๆแล้วนี่เขาไม่กินหรอกถ้าไม่ทําหรอกไม่ทาบาปเห็นอยากทาบาปเพราะเห็นแก่กินนี่พูดยากกว่าจัดอย่าไปทําบาปเพราะเห็นแก่กิ น, นเมื่อสามารถทําได้ถึงขนาดนี้คุณก็ทําใจในใจเป็นรู้ใจในใจว่ามันมี มันมีกระบวนการอย่างนี้มันมีการสังขารกันอย่างนี้คุณก็รู้จักสังขารด้วยวิชาแต่เพราะคุณไม่มีปัญญารู้สังขารอภิสังขาร้วยวิชาคุณไม่รู้โ o c e s s ของตักกะวิตกกะสังกะปะอปนาพยาปนาเจตโสปิโนปนาอัวจีสังขารอันนี้สังขารนะคุณไม่รู้จักกระบวนการนี้คุณทาใจในใจตามกระบวนการนี้ กระบวนการตั้งแต่ภาคปัญญาหรือภาคตัวพฤติกรรมพวก kinetic energy คือพวกตักกับวิทยกศสังคปะกับพลังงานบวกลบเนี่ยไอ้บวกนี่ก็คืออัปปนาพยาปนาเจตโสพปนิโรปนาเนี่ยนะมันทำงานร่วมกันอยู่จนกระทั่งคุณมีปัญญารู้กระบวนการของทางปัญญาหรือทางตัวรู้ว่ามันเกิดการดําริแล้วมันมีกิเลสร่วมแล้วจับกิเลสได้แล้วกาจัดกิเลสได้แล้ว เป็นวิต ก, กะตกลงจิตของคุณกระบวนการแค่ตัวปัญญาเป็นกระบวนการแค่เนี้ยบริบทนี้คือต ก, กะวิต ก, กะสังกปปะเนี่ยก็คือเริ่มดำริแล้วคุณก็อ่านจิตตัวดำรินี้มันมีอะไรมากับตัวดำรินี้มันมีกามกามาวิตตกหรือกามาสังกปปะมันดำริที่มันจะมาเป็นความนึกคิดองรวมนะว่ามันมีกิเลสเข้ามาร่วมด้วย คุณก็ฆ่ามันก่อนจับกิเลสให้ได้แล้วก็ฆ่าเฉพาะกิเลสก็เหลือแต่จิตกุศลจิตกิเลสคือจิตอกุศลฆ่าเกลีย้ยงจิตของคุณวิตกะก็เป็นจิตพิเศษวินี่คือดีวิคือไม่ดีก็คือตัวกิเลสฆ่ามันหมดแล้วก็เป็นจิตวิตกะเพราะฉะนั้นองค์ความรู้ขคุณสังกัปปะก็เป็นสมาสังกัปปะก็ผ่านด่านเข้าไปจะเป็นสังขารไปวิปจีให้เกิดวิจีสังขาร ผ่านด่านก็คือตัวอัปปนาผิมาตัวปักมั่นแน่นอนเป็นอดีตก็ดีเป็นกําลังที่มากรองตรวจสอบซ้อนอีกทีหนึ่งก็ตามมันมันจะมีเชิงปัญญาร่วมด้วยก็ตามรึกแข็งแรงถ้ากิเลสมันยังเหลืออยู่มันจะมามามามาม า, ม า, มาถึงอัปปนามันก็ต้านไม่ให้ต้านไม่ให้อีกเป็นตัวต้านเป็นตัวคําพนะเป็นตัวแรงแรงต้านไม่ให้ไม่กิเลสไปกรองอีกทีหนึ่งวัจฉีสังขารที่มันเกียวมันว่าสังขาร องแต่งเพื่อที่จะออกไปเป็นวัจีกรรมกรรมกับสังขารต่างกันวัจีกรรมกับวจีสังขารคุณก็ต้องเข้าใจว่าออกกรรมเป็นเช่นนี้สังขารเป็นเช่นนี้สังขารต้องเกิดก่อนกรรมวัจีกรรมเนี่ยมันเกิดที่หลั ง, งวจีสังขารวจีสังขารคือกระบวนการของจิตเป็นจิตสังขารวจีสังขารนี่คือจิตสังขารเป็นคอนเซปต์ของจิตสังขารเป็นองรวม ของจิตสังขารเป็นกายของจิตสังขารเมื่อเราพิจรารณาแล้วก็เปลี่ยนแปลงกายในกายนี้องค์ประชุมของกายนี้องค์รวมของกายนี้ทั้งหมดจนกระทั่งจัดการกระบวนการนี้เสร็จกิเลสไม่มีมันสังขารปรุงแต่งสุดยอดแล้วเป็นอภิสังขารขั้นอปุญญาไม่ต้องไปทำเท่าไอีกแล้วกิเลสไม่มีแล้วทลาละหมดแล้วกิเลส ญญามาเป็นอปุญญาไม่ต้องชำระอีกแล้วสังขารนี่ปล่อยออกไปเป็นกรรมต่อเป็นวจีักจีกรรมเป็นกรรมมันตะเป็นกรรมรวมทุกอย่างหรือเป็นอาชีพเลยก็ตามก็เป็นกรรมที่บริบูรณ์ด้วยมโนปุพังด้วยองค์กบวนการของจิต ท, ที่คุณได้ทำสำเร็จแล้วสมบูรณ์เพราะคุณทำองค์รวมองค์ กระบวนการนี้เรียกว่ามณสิกาหรือมณสิกโ ร, ร, รติทำใจในใจของคุณเสร็จแล้วเพราะคุณเป็นช่างในการทำจิตช่างในการที่จะจัดการกับจิตให้มันสะอาดได้ไม่ใช่กดข่มแต่รู้ด้วยปัญญาเลยนี่คือผู้รู้สังขารผู้รู้กรรมกรรมกับสังขารจึงต่างกันอีกด้วยนะ เพราะงั้นกรรมกับสังขารเนี่ยแหละถ้าผู้รู้ไม่ทันเข้าใจไม่ได้ก็ปฏิบัติทำแค่กรรมเช่นบอกปฏิบัติศีลก็สํารวมกายสํารวมวาจาก็แค่กรรมกายกับวาจาที่จริงกรรมมันตาคือบอกว่ากายที่งกายก็คือองมรชุมอยู่แล้วกรรมมันตานี่คือทั้งหมดทั้งสิน้นรวมทั้งหมดทุกกรรมกรร ม, มตานี่ทั้งกายกายวจิกรรมโนกรรมครบ พระองค์ประชุมของพฤติกรรมทางกายทางวาจานี้คุณบริสุทธิ์ได้คุณไม่ละเมิดคุณไม่ฆ่าสัตว์ด้วยกายคุณไม่เปาะปากไม่พูดฆ่าสัตว์เลยแต่กระบวนการของใจของคุณเนี่ยมันสังขารอยู่อย่างมีกิเลสแต่มันกดข่มไว้ไม่ให้ไปละเมิดกายไม่เลิ่วาจาเท่านั้นคุณก็ไม่ได้บรรลุเพราะใจของคุณยังไม่ได้ลดกิเลสยังไม่รู้จักกิเลสก็ไม่เกิดบุญ และคุณก็ไม่รู้จักสังขารจริงเพราะคุณไม่รู้จักองค์ประชุมของกายและคุณก็ไม่รู้ว่าคุณจะต้องทําให้มันเกิดบุญคุณจะต้องชําระกิเลสให้ได้และคุณก็ไม่สามารถที่จะชำระกิเลสได้คุณก็ไม่มีบุญเพราะฉะนั้นการปฏิบัติศีลได้แค่กายกับวาจาไม่ยังไม่เกิดบุญแต่เกิดกุศลเกิดคุณงามความดีคุณไม่ฆ่าสัตว์ ทางกายทางวาจาดีแต่ยังไม่ถึงบุญเพราะยังไม่ได้ชาระ ก, กิเลสเลยดีไม่ดีไม่รู้รกระบวนการของจิตด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นคุณเมื่อไม่รู้กระบวนการของจิตคุณก็ไม่ได้เคยจัดการกับกิเลสได้เลยคุณปฏิบัติไปก็มีแต่เีลปวพอตุปปาทานอย่าไปพูดถึงเสีล้วปปาหมาดเลย ละเอียดไปขนาดนั้นอัตมาก็อธิบายอยู่ว่ามันต่างกันยังไงนะเพราะฉะนั้นการปฏิบัติตามตามกันมาโดยผู้ใดก็แล้วแต่ที่ยังไม่ได้ทําคุณอนสมควรก่อนแล้วสอนผู้อื่นต้องทําคุณอนสมควรก่อนแล้วสอนผู้อื่นจึงจะไม่มัวมองหรือเป็นผู้ที่ปฏิบัติทำปฏิบัติศีลก็ตามตจงกระทั่งเกิดผลจริงๆมีศรัทธามีศีลมีความเห็นจริงมีความเชื่อมัน่นมีความรู้ศรัทธา จนผ่านศีลปฏิบัติศีลได้ผลเป็นพระหูสูตรคุณจึงค่อยเป็นธรรมกรถึกนี่ในศรัทธาสูตรธรรมกะกถึกคือผู้สอนธรรมผู้ที่สอนธรรมโดยที่เรียกว่าตัวเองยังไม่ได้ทําคุณอนสมควรก่อนแล้วสอนผู้อื่นถ้าทําคุณอนสมควรก่อนแล้วค่อยสอนผู้อื่นมีผลมีมรรคมีผ ล, ม, ผลมีสัจจะมีพระหูสูตรมีความรู้แจง้งรู้จริงของตัวเองแล้วพอเพียงแล้วก็สอนอย่างนี้ก็ไม่หมุนหมองาศาสนาก็ไม่เสือ่อมไม่เพีย้ยน แต่นี่อวดดีกันทั้งนั้นเลยไม่ได้เคยปฏิบัติจนกระทั่งบรรลุธรรมอะไรเลยไม่ชัดไม่เจนไม่แจ้งเอาไปสอนกันศาสนาเสื่อมเพราะการแสดงธรรมนักสอนที่อวดสอนโดยที่ตัวเองยังไม่บรรลุธรรมสรุปสั้นๆง่ายๆบรรลุธรรมก็ยังไม่ละเอียดยังไม่พอยังไม่เป็นพระหูสูตรยังไม่เป็นผู้รู้จริงทุกวันนี้พระหูสูตก็ไปแปลกันแต่ว่าท่องได้จําได้รู้มากเฉยๆไม่ใช่ พระผู้ปผู้ปฏิบัติธรรมบรรลุพาหุสัจจะมีความจริงมีสัจจะที่เป็นพาหุที่มากแล้วนะอาตมาเคยถูกท่านเจา้าคุณพรมกุณาพรทวงว่าอาตมาไม่เข้าใจแม้แต่คำว่าพาหุสัจจะกับพระหูสูนยอาตมาว่าอาตมาเข้าใจแลนะอาตมาแปลว่าพาหุพาหุพาหุสัจจะนั่นแหละคือสัจจะที่เป็นปรมาจารยสัจจะ อย่างมากพาหูไปว่ามากสรรพหูสูตรนั้นท่านเคแย้งว่าเขาเรียกว่าสรหูสูตรไม่ใช่พาหูสัจจะท่านเคแย้งว่าเป็นความรู้เท่านั้นพหูก็แปล ว, ว, ว, ว่าความรู้ไปมากสูตาก็แปลว่าความรู้ความรู้มากนั้นไม่ใช่ความรู้เฉยๆความรู้ที่เป็นสัจจะเพราะงั้นต้องผ่านสัจจะอันนี้จึงมันจะมาเป็นพระธมกระึก เมื่อเข้าใจระดับพวกนี้ไม่ได้ก็ไปสอนโดยที่ตัวเองไม่มีพาหุสัจจะหรือไม่มีความจริงที่เป็นปรมาทสัจจะที่ตนเองได้บรรลุมามากพอพาหุาศาสนาก็มัวมองธรรมะก็มัวมองเพราะคุณไม่มีของจริงไม่มีสัจจะความจริงรั้พูดใดที่ปฏิบัติ ต, ตามคาสอนของเจ้าครบครันถูกต้องาศาสนาก็ไม่เสื่อมไม่มัวมอง แต่ศาสนามันเสื่อมมันมม อ, มองเพราะไม่เข้าใจอย่างรอบทวนจึงอธิบายไม่ครบอธิบายแหว่งอธิบายเพี้ยนนะเมื่ออธิบายไม่ครบไม่ทวนแหว่งอย่างนี้มันก็ถึงได้พากันโอ้ดูนาฬิกาข้างบนนะ่ะมันสิบเอ็ดนาฬิกาแล้วแม่อตมาจะขยายความต่ออยู่นะเนี่ยเอาละมันเวลาไม่ให้สรุปรโดยที่ไม่มีเวลาครับผม กลับขอบคุณพ่อครูเป็ไงก็มันเลยแล้วัข<อ>บขอบคุณพ่อครูสมณพธิรัก <c oughs> เดี๋ยวผมจะขอยกยอดการสรุปไว้ในคราวต่อไปก็แล้วกัน <c oughs> เพียงแต่ต้องการจะบอกกับท่านทั้งหลายว่าการฟังพ่อครูอธิบายเรื่องอมังสวิรัตหรือการไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยท่านทั้งหลายสามารถไปหาอ่านเพิ่มเติมได้จากสารสน ที่จิตเกษมสิริเดชได้เขียนรวบรวมไว้เกี่ยวกับเรื่องพระพุทธเจ้ากับมังสวิรัตนำพัะตรีบิดกไลๆแหล่งมารวบรวมไว้ชัดเจนดูจะเป็นสารอสกปี2556ถ้าใครจะเข้าอินเทอร์เน็ตก็เข้าอินเทอร์เน็ตที่ Google พิมพ์คำว่าพระพุทธเจ้ากับมังสวิรัตหรือพิมพ์คาว่ามังสวิรัตจะมีข้อมูลในส่วนอื่นด้วยข้อมูลที่อาจจะ ไปในทางมังสวิรัตข้อมูลที่อธิบายได้ชัดเจนที่สุดเนี่ยมากที่สุดน่คือนักปรัชญาผู้มีนามว่าศาสตราจารย์ด็อเตอร์สมพานพรมธาอันนี้ท่านท่านผู้ชัดเกี่ยวกับเรื่องจริยธรรมการรักษาชีวิตของสัตว์ด้วยการไม่กินมไม่กินเนื้อสัตว์โดยประการใดๆก็แล้วแต่เนื้อหาสาระในส่วนที่พ่อครูอธิบายนั้นชัดเจนแล้วแต่ในส่วนที่พวกเราจะต้องกระทาต่อไปก็คือ กระทำการสั่งสมบุญหรืออย่างน้อยก็สั่งสมกุศลเมื่อกี้พ่อครูจะบอกว่าไม่สรุปก็เอาความประทับใจก็แล้วกันว่าบุญเนี่ยคือการชำระ ก, กิเลสการรักษาศีลที่อยู่เพียงแค่ทางกายทางวาจาเนี่ยยังไม่ได้ถือว่าเป็นบุญยังไม่ได้เข้าขั้นบุญเพราะยังไม่เข้าสู่จิตยังไม่เป็นศีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโพกสัมปทา สีเลนนนิพพติังยันติคือศีเนี่ยเข้าสู่พระนิพพานเป็นเรื่องของจิตพระนิพพานกันิพพานที่จิตเพราะนั้นถ้าได้เพียงแค่กายวาจาก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่ดีนะก็ดีแต่ดีในระดับกุศลยังไม่ถึ ง, งดีในระดับสังคมศาสตร์เพราะครูเคยอถ า, าธิบายนิดหนึ่งตรงที่ว่าคนดีโดยทั่วๆไปในโลกนี้เนี่ยดีในระดับสร้างนิสัย แต่ถ้าจะดีในระดับโลกุตระเนี่ยต้องดีเหนือไปกว่าการสร้างนิสัยแต่ไม่ได้ปฏิเสธการสร้างนิสัยนะแต่การสร้างนิสัยที่ดีที่สุดคือการล้างอนุสัยอันนี้คือคำสอนที่พ่อครูได้สอนไว้การล้างอนุสเนี่ยเป็นการสร้างนิสัยที่ดีที่สุดส่วนการสร้างนิสัยนั่นเป็นเรื่องพฤติกรรมทางกายทางวาจาที่มนุษย์ในโลกทากันอยู่ ที่เราสั่งสอนสมบัติผู้ดีหรืออะไร อ, อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นเรื่องการสร้างนิสัยสงสุดคือการล้างอนุสัยที่พ่อครูอถาธาิบายมาทั้งหมดเนี่ยคือการล้างอนุสัยที่นําไปสู่การสร้างนิสัยที่ดีกราบขอบคุณพ่อครูที่อถาธาิบายให้กระผมและผู้ฟังกระจ่างยิ่งขึ้นนมรัส ก, การด้วยความเคารพครับขอบคุณหมู่สงเจริญธรรมสิกรมาตและกระวาสญาติโยมผู้ สนใจในวิถีอริยธรรมโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเจริญธรรมสาธุ <c oughs> วันนี้มีเรียนพระไตรบิดกบ่ายโมงนะนับบริเวณเดิมที่บริเวณใต้บอดถัดไป ให้ ช, ชัดช่างกล้องปานนี้คนเดียวสามกล้องโอ้ยทรมานทรกรรมเป็นกันโมดเนี่ยไม่มาช่วยกันบางเลยไป็น่รล้จะได้พร้อมมีการก เ, เรียนพัดใ น, ในบีดอกเวลาป <ใน S 2> านนี<า><ม>่ทำให้ตัวเองพร้อมไม่ได้ขนาดนี้น้ำหนักรถตั้งหลายสิบโล อาต่อไปนี่รายการพุงยิ้มเชิญ <c oughs> ประกาศด้วยนะว่าวันศุกร์ที่สิบ